เพความในจริยาปิดกจริยาปิดกนั้นกล่าวถึงข้อปฏิบัติคุณธรรมที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณคุณธรรมที่เป็นเครื่องบ่มอริยมัคคยานทั้งหลายอริยมัคคยานทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าโพธิญาณโพธิญาณคืออริยมัคคยานอันนี้เป็นเหตุใกล้แห่งสัพพัญยุตยานสัพพัญยุตยานเป็นธรรมที่เครื่องเป็นคุณธรรมเครื่อง เครื่องกูรเครื่องเกื้อหนุนให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเพื่อสงเคราะห์โมนเวนยศาสตร์ทั้งหลายก็อาศัยสัพพัญยุตยานเป็นเหตุใกล้โดยมีกรุณาเป็นเหตุใกลมันสัพพัญยุตยานกับมหากรุณาสมาบัติยานหรือกรุณาของพระองค์นี้เป็นเหตุใกล้แห่งพระธรรมเทศนาทั้งหลายก็ต้องอาศัยอรหัตตมัคคายานอารหัตตมัคคายานหรืออริยมรรคทั้งหลาย โสดาปติมมัตสกัตถามิมมัตสนาคามิมมัตสรหัตตมัตสคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมเครื่องนําออกจากวัตทุกข์เป็นคุณธรรมเครื่องอะนะช่วยให้ศาสตร์ทั้งหลายปิดเรียกว่าปกปิดความทุกข์ทั้งปวงคือนําออกจากทุกทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือนี่คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองลอยๆโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย เนื่องจากว่าอริยมรรคทั้งหลายก็มีอุปนิสัยปัจจัยในอุปนิสัยปัจจัยแห่งอริยมรรคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นเหตุใกล้แห่งสัพพัญญุตยานปัจจัยเหล่านั้นก็คือบารมีสิบนั้นการประพฤติบารมีสิบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์นั้นจึงเป็นการประพฤติที่ยิ่งใหญ่เป็นการประพฤติทุกอย่างเอาชีวิตเป็น เป็นประมาณหรือว่ามีชีวิตเป็นที่สุดทําทุกอย่างเสมอด้วยชีวิตแม้แต่การให้ทานก็ให้เสมอด้วยชีวิตรักษาศีลเสมอด้วยชีวิตเจริเนฆคัมมะเสมอด้วยชีวิตสแสวงหาปัญญาเสมอด้วยชีวิตเนนะภาคเพียรพยายามด้วยชีวิตนั้นทุกอย่างมีชีวิตเป็นเดิมพันหมดเลยคือทุกอย่างทําเสมอด้วยชีวิตสละชีวิตเพื่อที่จะได้สัมมาสัมโพธิญาณ เพราะว่าสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์นั้นเป็นเหตุใกล้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากวัตทุกข์ทั้งปวงทีนี้เมื่อผู้ที่ปฏิบัติคุณธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์นั้นจะต้องเป็นการปฏิบัติที่จรงิงจังนะนะจรงิจรงจังแล้วก็แต่ที่สำคัญมากก็คือความรู้ความเข้าใจการจับประเด็นชัดเจนว่ากุศลธรรมทั้งหลายเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก เป็นธรรมที่เกื้อกูลเป็นธรรมที่ช่วยเหลือเกื้อนุนให้ออกจากทุกพันท่านจึงถือว่ากุศลเป็นสาระถ้ากล่าวแล้วชีวิตหรือชีวิตของพระโพ ธ, ธิสัตว์ทั้งหลายท่านถือว่าการสร้างบารมีเป็นสาระพันตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้พระองค์ จเจริญบารมีไม่มีเหตุผลที่ไม่ไม่ต้องจเจริญบารมีมีเหตุผลทุกประการสมควรที่จ ะ, จ ะ, จะเจริญบารมีไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคขมมะเป็นต้นกุศลธรรมเหล่านี้ทําด้วยความภาคเพียรพยายามทําด้วยความอุตสาหะทั้งทั้งทีงทง่ไม่มีคนเห็นด้วยโดยรวมๆเนี่ยนะหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นที่รกชัดรกชัดด้วยราคะโทสะและโมหะรกชัดด้วยมิจฉาทิฏฐิรกชัดด้วยทุติยริกรรมทั้งหลาย การที่จะมาประพฤติเป็นสุดจริตธรรมแบบนี้ผู้ที่อยู่ด้วยทุจริตอยู่ด้วยบาปอากุศลด้วธรรมทั้งหลายไม่เห็นด้วยแต่ความที่ท่านเห็นเห็นการเจริญกุศลเป็นสาระเลยไม่ถือเอาคาของคนมีความโลภเป็นประมาณไม่ถือเอาคําของคนมีความโกรธเป็นประมาณไม่ถือเอาคําของคนผู้มีความุ่มหลงเป็นประมาณไม่ถือเอาคาของพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเป็นประมาณ ไม่ถือเอาบาปอกุศลเป็นประมาณไม่ถื อ, อท่านถือเอาแต่กุศลธรรมเป็นประมาณซึ่งถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาดีจริงพอเจริญกุศลไประดับหนึ่งแล้วมันก็เริ่มกระวางังงอนแง่นนะพอเจริญไประดับหนึ่งข้าอะไรนะจะเริ่มเบื่อนะก็เริ่มเบื่อเพราะไม่เห็นคุณของการเจริญกุศลเต็มที่นี้เราก็เห็นแม้กระทั่งว่า ผู้ที่ปฏิบัติธรรมโดยที่มีคําสอนอย่างสมัยทุกวันนี้การศึกษาการปฏิบัติธรรมก็เต็มไปด้วยความงอนแงน่นด้วยความไม่แน่นอนดันั้นความงอนแง่นไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยนะขนาดมีคําสอนมีคําอธิบายอธิบายได้ทั้งหมดขนาดนั้นยังงอนแงน่นทีนี้นถ้าเรามามองถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านไม่มีคําสอนเลยชีวิตของท่านอยู่ด้วยการไม่มีคําสอน คือโดยมากท่านไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเมื่อท่านไม่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านอยู่ท่านท่านเจริญอย่างไรท่านจึงสามารถบำเพ็ญบารมีได้อย่างต่อเนื่องและตลอดสายท่านคิดได้อย่างไรที่ที่จะ ก, การถือเอาการเจริญกุศลเป็นสาระเนี่ยนะเป็นสาระโดยที่ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยนะแม้กระทั่งในโพธิจริยานี่โพธิจริยานั้น เป็นทั้งศีละบารมีเป็นทั้งเนคขมมะบารมีแล้วก็เป็นบารมีอีกหลายอย่างแต่เน้นเด่นพิเศษคือศีละบารมีแต่เขามาเห็นด้วยกับเนคขมมะบารมีมากกว่าแต่ก็จริงๆก็ไม่ผิดอะไรหรอกเพราะว่าทั้งเนคขมมะทั้งศีลพระโพธิสัตว์ท่านไม่เกี่ยงว่าจะต้องอันนี้ต้องอันนี้เน้นทานเน้นศีลเป็นต้นไม่เน้นหมายคือว่าอะไรประจวบเหมาะพอที่จะเจริญก่อนได้ก็เจริญอันนั้นไปเลยเนนะ ข้อความในเจริยาปิดอกต่อจากครั้งที่แล้วจุลโพธิเจริยาข้อ14พระองค์เล่าให้ภาษารีบดฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นปริภาชกชื่อว่าจูลโพธิเป็นปรนนะเป็นผู้มีศีลงามอันนี้พูดถึงตอนที่ยังไม่บวชนะตอนที่ยังไม่บวชก็เป็นคนดีเป็นคนมีศีลเราเห็นพบโดยเป็นสิ่งน่ากลัว คำว่าเห็นพบโดยความเป็นสิ่งน่ากลัวนี่เห็นอบายทุคติวินิบาตนรกนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเห็นการเกิดเป็นเปรตอสุรกายและสตรีฉานเป็นต้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นจึงออกบวชเป็นดาบทตอนนั้นท่านก็มีภริยาแล้วนะก็มีพรามณีนางพรามณีนั้นเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามดังทองคาซึ่งเป็นภรยาของเราแม้นางก็ไม่ได้อะไรในวัตต ออกบวชเป็นตาปสินี น, นะดาบท น, นะก็อินีปัจัยก็แปลถึงผู้หญิง น, นะดาบทผู้หญิงดาบทผู้ชายทั้งคู่ก็ออกบวชเราทั้งสองไม่มีความอะไรด้วยตันหาตัดพวกพ้องได้ขาดอันนี้หมายความว่าตัดพวกพ้องตัดจากวงศสาคขนายาตออกมาบวชเมื่อบวชแล้วก็ไม่ห่วงใยในตระกูลและหมู่ญาติเที่ยวไปยังบ้านและนิคม ก็เป็นดาบทที่ไม่ติดพันในสกุลท่านก็สามารถท่องเที่ยวไปได้เหมือนกับลมนะนะท่านก็มาอยากถึงท่านโคโจรมาถึงพระนครพาราณสีเราทั้งสองอยู่ณที่นั้นก็อยู่ด้วยปัญญานะเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญามีปัญญาไม่เกี่ยวข้องในตระกูลและก็ไม่พัวพันในหมูนะ่คณะเราทั้งสองอยู่ในพระราชอุทยานอันไม่เกลื่อนกล่น เป็นสถานที่สงัดเสียงพระราชาใิเสด็จทอดพระเนตรอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นนางพรามณีจึงเสด็จเข้ามาหาเราแล้วตรัสถามว่านางพรามณีคนนี้เป็นอะไรกับท่านนางพรามณีคนนี้เป็นพริยาของใครเมื่อพระราชาตรัสถามอย่างนี้เราก็ได้ทูลแก่พระองค์ดังนี้ว่า นางพรามณีนี้ไม่ใช่พริยาของอาตมาภาพนักบวชมีเมียได้ที่ไหนเมื่อนางบวชแล้วนางก็ไม่ได้เป็นเมี ย, ยของผู้ใดเพราะฉะนั้นนางไม่ใช่พริยาของอาตมานางเป็นผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเป็นผู้มีคําสอนคือาศาสนาร่วมกันพระราชานั้นมีความรักมีความกําหนัดอย่างหนักหน่วงในนางพรามณีนั้นจึงรับสั่งให้พวกราชบุรุษจับทรงบีบบังคับด้วยกําลัง สั่งให้นําเข้าไปยังภายในพระนครเมื่อพยาเก่าของเราเกิดร่วมกันมีคําสอนร่วมกันถูกฉุดคร่าไปความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราก็ก็กยังอะไรนะความผูกพันที่มีอยู่ต่อกันก็มีนะฮันเวลาฮันเขาฉุดไปต่อหน้าต่อตาก็เกิดความโกรธขึ้นแค่นั้นแหละเราก็ระลึกถึงศีลระลึกถึงวัด ได้พร้อมกับความโกรธที่เกิดขึ้นพอความโกรธผุดขึ้นเท่านั้นแหละระลึกถึงว่าที่มาบวชนี่บวชบวชอะไรบวชตั้งอยู่ในศีลอยู่ในวัดไม่ได้บวชมาเจริญความโกรธ น, น, นะนะก็แยกแยะว่าอ ะ, อะไรคือสาระไม่ใช่สาระใแยกความคิดออกว่าความคิดขณะนั้นเนี่ยอะไรเป็นกุศลและอกุศลอะไรเป็นสาระและไม่ใช่สาระศีลเป็นสาระความโกรธไม่ใช่สาร ะ, ไ ม, าระไม่ใช่สิ่งที่มา สแสวงหาศีลเป็นเครื่องบ่มบารมีแต่ความโกรธไม่ใช่เป็นตัวที่บ่มบารมีก็แยกแยะอย่างนี้เราก็ข่มความโกรธได้ณนะที่นั้นนั่นเองไม่ยอมให้มันเจริญขึ้นไปอีกนี่ก็ตั้งใจอย่างแรงกล้าเลยว่าถ้าใครใครพึงเอาหอกอันคมกริบแทงนางพรามณีนั้นเราก็ไม่พึงทำ เ, เราก็ไม่พึงทาลายศีลของเรา เพราะเหตุแห่งโพธิาณเท่านั้นนะนบอกว่าถ้าใครจะทิมต่อหน้าต่อตาก็ไม่โกรธเพราะถ้าโกรธแล้วเสียศีลใช่ไมเพราะรักศีลมากกว่ารักพรามณีเหมือนกันเราจะเกลียดนางพรามณีนั้นก็หาไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้เกลียดไม่ได้รังเกียจไม่ได้ชิงชังอะไรหรอกขณะเดียวกันเราไม่มีกำลังก็หาไม่ได้เพราะพระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเรา เพราะฉะนั้นเราจึงรักษาศีลเอาไว้เชนี้แล้วพัะการรักษาศีลของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นศีลที่ไม่ได้เห็นแก่อวัยวะเป็นศีลที่ไม่ได้เห็นแก่ทรัพย์ไม่ได้เป็นศีลที่ไม่เห็นแก่บริวารเป็นศีลที่ไม่เห็นแก่อะไรทั้งนั้นถือเอาศีลเป็นประมาณถือเอาศีลเป็นสาระเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นเครื่องช่วยนําให้ออกจากวัตฏะทุก ข้อความในอัตกถาลมีการอธิบายโดยลำดับต่อไปนี้เลยนะคำว่าเห็นพบโดยความเป็นของน่ากลัวก็คือเห็นการมมาพบรูปประพบอารูปประพบเป็นต้นโดยความเป็นของน่ากลัวของเราทั้งหลายก็ให้เห็นโทษของอบา ย, ยพบก่อนก็ถือว่าพิเศษแล้วเนี่นะเห็นโทษของการเกิดในนรกเนี่นะเห็นโทษของการเกิดเป็นเปรตอสุรกายและหมู่เดริชานทั้งหลายว่าการเกิดเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆ สัพักใหญ่ๆนดูสารคดีมาพูดถึงทหารที่เพาะ อ, อาวุธชีวภาพเนี่ยนะทำลายล้างที่ประเทศจีนเมื่อสมัย ส, ยสงครามญี่ปุ่นนนะตายเป็นหมื่นเลยนะแต่คนภาพตายนี่เกลื่อนไปหมดแล้วก็ไออาวุธชีวภาพแล้วก็อาวุธเคมีที่ที่ชาวเคิร์ดนะเนี่ยพวกน้เห็นว่า การเกิดขึ้นมาแม้กระทั่งเกิดเป็นมนุษย์นี่มันก็อันตรายเหลือเกินเหมือนกันจะเกิดมาในยุคใดสมัยใดที่ผู้นำใจดำอำมหิต น, นะผู้นำสรรเสริญการทำปาณาติบาตชีวิตของเราก็ไม่ร่วงแขวนอยู่กับอะไรนี่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ถ้าหากว่าผู้นำทั้งหลายมากไปด้วยอธินนาทานทรัพย์สินของเราทั้งหลายก็ไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยถ้าผู้นำทั้งหลายามากไปด้วยกาเมสุมิจฉาจาร์บุตรพระญาและญาติทั้งหลายของเราก็ไม่มีความแน่นอนอะไรเลย ถ้าหากว่าผู้นําทั้งหลายเต็มไปด้วยสุรายาเมาด้วยของมินเมาเป็นต้นไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรบ้างเพราะผู้นําเป็นบ้าไปแล้วะนะเมื่อผู้นําเป็นบ้าไปแล้วนี่อะไรจะเกิดขึ้นทันชีวิตผู้ของผู้ที่เกิดมาในโลกเนี่ยก็ถือว่าแม้กระทั่งเกิดเป็นมนุษย์ก็อันตรายจะกล่าวไปใายไถึงเกิดในโรคเปรตอสุรกายและเดราชานถ้าหากว่าเรามีผู้นําที่เป็นมิจฉาทิฐิเข้าผู้นําเหล่านี้ก็สันเสริญการทําบาปและอกุศล การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นต้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นของจะหน้าหน้าเพลิดเพลินสักเท่าใดเพราะว่าในที่สุดนะจริจริงอย่างหลายๆท่านเกิดมาในยุคสมัยที่บ้านเมืองไม่ค่อยมีเพศภยัยนี่ก็ถือว่าบุญหนักเรียกว่ามีบุญหนักสักใหญ่เต็มทีแล้วล่ะถ้าไปเกิดในบางประเทศที่มันเดือดร้อนชีวิตเต็มไปด้วยความหวาดระแวงอย่างบางประเทศตอนนี้ว่าผู้ใดแม่นปืนผู้นั้นมีชีวิตรอดอยู่ได้ แปลว่าหมายความว่าเมื่อผู้อื่นตายแล้วตัวเองจึงจะอยู่ได้นะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเป็นเดรฉ า, านเป็นต้นชีวิตของเราจะดํารงอยู่ได้ต่อเมื่อสัตว์อื่นตายนะต่อเมื่อมีสัตว์อื่นตายชีวิตของเราทั้งหลายจึงดํารงอยู่ได้มนุษย์หลายคนหลายตระกูลหลายครอบครัวนั้นที่ดํารงอยู่ได้เพราะสัตว์อื่นตายเพรันตกลงว่าอยู่ในโลกด้วยนะด้วยชีวิตที่อยู่แสนจะทุกข์ยากลําบากอยู่แล้ว ขณะเดียวกันต้องไปเปือเป้อนบาปเปื้อนอกุศลนะกว่าจะเลี้ยงชีวิตให้เจริญเติบโตเพื่อรอวันแก่และวันตายเนี่ยนะ ก, ก, ก็ทําทุกอย่างเพื่อรอความตายแต่ว่าจากนี้ชีวิตดําเนินไปสู่ความตายสัตว์ไม่ใช่น้อยที่เปื้อนเปื้อนด้วยบาปและอกุศลเมื่อทางเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นทางที่ที่ผิดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เดินไปสู่ความตาย กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ทําอยู่ด้วยแต่ทุจริตเนี่ยนะด้วยความชั่วทางกายวาจาและใจพันผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายก็บอกว่าเห็นพบเหล่านี้โดยความเป็นภัยภัยโดยสับแปลว่าความเป็นของน่ากลัวเนี่ยอย่างลงเรื่องว่าไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ง่ายๆนะเหมือนนบอกก็อยู่ยากแต่ว่าก็ไม่เห็นมีใครอยากออกสับเท่าไหร่นะลงเรืองเนาะ บอกว่าบนหรืเอเกอเนี่ยอยู่ยากอยู่ยากแต่ก็ไม่ได้คิดอยากจะออกสักเท่าไหร่นี่นะออกก็พลุบๆๆุบโผล่นะลมาดูสักนิดแล้วก็มุดต่ อ, อยเงี้ยนะบทนี้อธิบายว่าเห็นพบมีกรรมมาพบเป็นต้นแม้ทั้งปวงปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวในสังสารวัตรสังสาระคือขันธาตุอายตนะไหลไปตามอำนาจกรรมวิบากและกิเลสขันธาตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องไปด้วย กรรมอำนาจพิบาตกิเลสเนี่ยนะเป็นของน่ากลัวน่ากลัวเพราะอะไรเพราะการพิจารณาเห็นสังเวกขวัตุ8ประการวัตุเป็นที่ตั้งแห่งความสลดสังเวชนะเห็นอะไรบ้างเห็นความเกิดนี่เป็นของที่น่ากลัวเห็นความแก่น่ากลัวเห็นความเจ็บป่วยเป็นของที่น่ากลัวเห็นความตายก็ของน่ากลัวเห็นทุกในอบายทุกติวินิบาตนรกก็เป็นของ น่ากลัวทุกมีวัตตาเป็นมูลในอดีตก็เป็นของน่ากลัวทุกมีวัตตาเป็นมูลในอนาคตก็เป็นของน่ากลัวทุกมีการแสวงหาอาหารในปัจจุบันเป็นมูลก็เป็นของน่ากลัวพูดถึงชาติเนี่ยนะชาติก็คือการปรากฏตัวนั่นแหละเราปรากฏตัวในในแม้กระทั่งปรากฏตัวเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นของน่ากลัวเรารู้ได้ยังไงว่า แม่ที่เรามาอาศัยเกิดไม่ติดเชื้อโรคอะไรเลยนะเรารู้ได้ยังไงว่าแม่เราเป็นคนที่สุขภาพดีเยี่ยมสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีเป็นหญิงผู้มีศีลเป็นต้นเราเ อ, าอะไรเป็นเครื่องแน่ใจว่าเราจะได้มารดาเช่นนั้นนะเพราะว่าสมัยใหม่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยดื่มเก่งกว่าผู้ชายเริ่มเริ่มดื่มเก่งกว่าเยอะแล้วนะก็เป็นจะได้มีแม่ขี้เมานะติดยาเสพติดเป็นต้นนั้นถ้าเรามาเกิดขึ้นมาป้าเราจะอะไรขึ้นมา เราจักเป็นอย่างไรทราการเกิดแล้วทีนี้ถามว่าเมื่อเกิดมาเนี่ยนะถ้าบาปเก่าเป็นปัจจัยให้ผลเราจะอยู่ในคันได้สักกี่ชั่วโมงดีเนี่ยนะสมัยนี้รู้ชัดแล้วว่าเด็กไม่ได้แปลว่าสามารถอยู่ในคันได้หลายชั่วโมงนะบางคนอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องจุติแล้วบางคนก็มากกว่านั้นเป็นวันหนึ่งก็จุติบางคนก็อาทิตย์หนึ่งก็จุติบางคนก็เดือน2เดือนก็จุติแล้วบางคนเนี่ยก็แท้งตายเนี่ยนะ ทั้งที่แม่ก็อยากให้มีชีวิตอยู่แต่ก็แท้งตายก็มีบางกรณ์หลังจากคลอดมาก็ตายแนะว่าสมัยนี้การรักษาก็ดีขึ้นหน่อยแต่ขนาดนั้นเด็กก็ตายไม่ใช่น้อยนะคลอดออกมาแล้วก็ตายแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยขึ้นชื่อว่าการเกิดถ้าไม่เกิดในนรกความทุกข์ในนรกจะมีไหมถ้าไม่เกิดในเปรศัสุรกายเดราชานเป็นต้นความทุกข์เหล่านั้นจกมีไหมนะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ ขนาดว่าอุปสรรคในการเกิดไม่มีละเกิดมาอยู่ดีมีสุขสบายแต่แม้ขึ้นชื่อว่าความแก่เนี่ยนะจะลุกก็อโอยละนะสุขภาพเนี่ยขึ้นชื่อว่าความแก่เนี่ยนะทุกอย่างมันเสียหายไปหมดนะก็อย่างว่าดอกไม้สวยๆถ้ามันเช่าไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นรถทั้งหลายที่มันเคยดีเคยเคยใหม่ถ้ามันเก่าขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคนทั้งหลายก็เหมือนกันนั้นสุขภาพทั้งหลายที่เคย ก็บอกว่าความไม่มีโรคมีโรคเป็นที่สุดเนี่ยนะสังขารทั้งหลายก็มีความชราและมรณะเป็นที่สุดนั้นที่สุดมันก็เป็นอย่างนั้นพมันตรงไหนที่เราว่ามันไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยเดี๋ยวตรงนั้นนี่แหละมันจะป่วยมากเนี่ยนะตรงไหนที่เราว่ามันดีตรงนั้นแหละมันจะเริ่มเป็นมากในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็แตกทําลายไปเนี่ยนะชีวิตตินทรีย์ก็แตกดับนั้นคนที่ตายมีมากกว่าคนที่เป็นอยู่สัตว์ที่ตายมีมากกว่าสัตว์ที่ เป็นอยู่ทีนี้เมื่อเกิดแก่เจ็บตายหลังจากเกิดเกิดที่ไหนโดยมากก็ไหลไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตพันหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไหลไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตเนี่ยมากจริงๆบางคนก็สงสัยว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดเป็นในอาบายกันมากทําไมมนุษย์ยุคนี้จึงเยอะเหลือเกินมามนุษย์ยุคนี้มาจากไหนก็มาจากบุญเก่าเป็นอุปนิสัยเก่าในอดีตสัก เท่าไรก็ตามเธออ布拉พระเจตนาในอดีตพามาเกิดแต่มนุษย์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าตกไปสู่อบายเนี่ยมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะไปเกิดในอบายอยู่ได้ไม่กี่บอ่อเนไเป็นเป็นเดรชานได้ไม่กี่ฝูงเองนะทั้งว่างหห้าพันล้านเนี่ยนะเป็นปลวกไม่ไม่กี่ไม่กี่บอ่อเพราะว่าเคยเห็นปลวกไม่ปลวกมันไม่ใช่ปริมาณเนี่ยมันมากจริงๆพวกมดในปริมาณนี่ก็มากจริงๆนะพวก ปลาเนี่ยปริมาณก็มากพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยล่ะอย่างพวกอะไรนะตัวเล็กๆที่อยู่ตามชายทะเลเนี่ยนะกตัวอะไรนะที่ก็เอามาทำกะปิเป็นต้นนะนะพวกเคยพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกเหล่านั้นก็มากเหลือเกินพันธาหากว่าจุติไปสู่อบานเนี่ยแล้วทะเลเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนสัตว์ที่อยู่ในทะเลนี่มากขนาดไหนพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บก สัตว์บกนะที่มุดดินอยู่ก็มากกว่าโผล่มาบนดินที่โผล่มาบนดินเ ล, นเ ล, กเ ล, กเล็กน้อยเล็กๆก็มากกว่าตัวใหญ่ที่ตัวใหญ่ไม่เท่าไหร่มนุษย์ก็ตัวถือว่าตัวใหญ่หน่อยนะครัไล่ไปที่เล็กๆ ก, กว่านั้นเนี่ยนะพื้นที่เขาบอกว่าในพระวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ให้พระพิสุจุดไฟเผาแผ่แผนดินสมมติว่าเป็นแผ่นดินในที่ที่มันเด่นที่ดินแท้นะกเรียกว่าดินแท้ ดินที่ฝนตกรถ4เดือนไปแล้วเนี่ยเรียกดินแท้พระพุทธเจ้าไม่ให้พระพิสุจุดไฟเผามีอยู่ครั้งหนึ่งพระพิสุรูปหนึ่งพระธนิยะกลุมม่มพระการบุตรเนี่ยนะท่านเป็นอดีต ท, ท่านเป็นช่างหม้อท่านมาบวช ท, ท่านก็ทํากุฏิแล้วก็จุดไฟเผากุฏิให้ให้มันให้มันดีนะเพราะกุฏิดินพระพุทธเจ้าอุทานมาโมฆะบุรุษนั้นรู้หรือเหมอว่าจุดไฟเผาสักตายไปเท่าไหร่เลยนะ คือรู้หรือเปล่าว่าไอการจุดไฟครั้งนั้นเนี่ยสัตว์ตายเท่าไหร่อย่างสังเกตถ้าหากว่าไฟไม่ป่าเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าสัตว์ที่ที่กำลังดิ้นรนเวลาตายเนี่ยเท่าไหรเนาะังั้นตอนที่อยู่ในป่าบางแห่งที่ไฟมันไม่ป่าเนี่ยจะเห็นว่าสัตว์เนี่ยตายเยอะมากๆเลยตายเยอะจริงๆพวกมดพวกปลวกพวกสัตว์ที่อยู่ตามดินรัศมีเนี่ยเหล่านั้นน่ยตายหมด นี่พอเมื่อเกิดมาแล้วก็ที่จะพ้นอบายก็ยากทีนี้สัตว์เหล่านั้นโดยมากก็ทุกเป็นหลักเมื่อทุกขมากก็ไหลไปสู่นรกบางคนก็บอกอ้าวแล้วนรกไม่เต็มยัดเยียดไปหมดหรือบอกไม่ต้องห่วงบอกว่านรกเนี่ยพื้นที่รัศมีเนี่ยเป็นล้านตารางกิโลเมตรมันเป็นหมื่นเป็นล้านตารางกิโลเมตรแล้วมันเอะอดยัดเยียดเหมือนผงดีบุกเขาว่ากันก็คือแบบว่าแป้งในกระป๋องนั่นแหละนะยัดเยียดเหมือนแป้งในกระป๋อง มันก็มองว่าหนึ่งชีวิตก็เท่ากับผงหนึ่งผงเนี่ยนะครับก็อาจยัดเยียดอย่างอเวจีเนี่ยแปลว่าไม่มีอะไรมักเซคั่นสัตว์นี่ไม่มีอะไรขั้นมันเอาอาจยะดเยียดอยู่ขณะเดียวกันก็ไม่เปลวไฟนรกเปลวไฟก็ไม่มีอะไรมาขั้นมีแต่คลื่นแห่งไฟที่ลุกเผาอยู่ตลอดเวลาพันธะในนรกเปรตอสุรกายแล้วก็หมู่เดราชานแต่ว่าตอนนี้ถ้าโดยส่วนตัวก็ดูเดราชานก่อน ดูความทุกข์ของหมูเดราชานทั้งหลายที่ก็เกิดมาเนี่ยเขาทุกข์ขนาดไหนมันผู้ที่เขามีปัญญาเขาก็สังเวชและสังเวชว่าโอ้มันควรกับการสังเวชจริงๆทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะทุกเหล่านี้ก็ไม่ใช่มีแค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ก็ไปเดินชายทะเลก็เห็นนะโอ้ยน้ำตาที่เราเคยสูญเสียในอดีตนะน้ำตาแต่ละชาติที่หยดแม่แม่เกะเลยนะถ้าเก็บเก็บเอาไว้เนี่ย ก็มากกว่าน้ําทะเลเหล่านี้แล้วเนี่ยเราเสียเลือดแต่ละชาติเนี่ยนะเสียเลือดเพราะถูกเพี้ยนถูกตีถูกฆ่าถูกตัดหัว่าเป็นต้นเสียเลือดเลือดที่สูญเสียก็มากกว่าน้ําทะเลเหล่านี้แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยดื่มน้ํานมแห่งมารดาเป็นต้นนมที่เราดื่มนั้นก็มากกว่าน้ําทะเลอยู่แล้วเพรัะแล้วถามว่าไอ้แล้วเสียเหงื่อล่ะมากกว่านั้นอีกเยอะเนี่ยเพราะวันหนึ่งเนี่ยเสียเหงื่อไป ไม่ใช่น้อยพราวัตถทุกที่มีอยู่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะทุกไม่ใช่ทุกน้อยๆแต่คขนาดเดียวกันว่าอาวิชชาที่ปกปิดทําให้ไม่รู้ในอดีตก็เลยโอ้ยสุดยอดทนอดเนีย่ยนะทนเจ็บทนปวดเพราะไม่เคยรู้สิ่งที่ตรงกันข้ามเลยไม่รู้ว่าพระนิพพานเนี่ยดีอย่างไรเมื่อไม่รู้ว่าพระนิพพานที่ออกจากทุกขเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีก็เลยมองเห็นความทุกขเหล่านี้เป็น เป็นของดีเมื่อเห็นความทุกข์เป็นของดีมันจะเจ็บจะปวดจะเศร้าโศกเสียใจพี่ไร่รำพันจะคับแค้นใจทุกกายทุกเสียใจขนาดไหนก็ทนได้เสมอช่างอดช่างทนเสียจริงหนอช่างอดทนหรือว่าโง่เขลากันแน่นะถ้าพูดแบบตามพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเพราะความโง่เขลาเป็นแน่แท้ทําให้ทนอดในสิ่งที่ไม่สมควรจะต้องทนบางทีเนี่ยทนทําไม หลายๆคาถามถ้าตั้งคําถามว่าทนให้มันเป็นอะไรทนไปทําไมทนแก่ทนเจ็บทนตายพบแล้วพบแล้วทนไปทไําไมเนี่ยนะใครใช้ให้ทนเป็นต้น ค, คิดไปคิดมาก็ความเขลาวความไม่รู้นะไอ้ที่สําคัญไม่รู้ก็ไม่ว่าไอ้ไม่อยากรู้ด้วยสิเพราะอาวิชาเนี่ยนะแปลว่าฆ่าศึกศัตรูปฏิปักษ์ต่อวิชาผู้ที่มากไปด้วยอวิชาไม่ใช่ต้องการรู้นะห้ามบอกความจริงเขาเด็ดขาด พูดอะไรก็ได้ที่มันไม่จริงให้เขาฟังผู้ที่มีอวิชชาจะชอบจะโปรดปรานมากที่สุดถ้าพูดความจริงเขารับไม่ได้นเขาเขาทำใจไม่ได้ถ้าจะฟังความจริงนั้นถ้าสัตว์ในโลกยินดีที่จะฟังความจริงเนี่ยนะพระพุทธศาสนาไม่เสื่อมรอรถ้าเขาต้องการฟังแต่ความจริงเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องการฟังความจริงพระพุทธศาสนาจึงอันตรทานไปจากโลกนะนั้นเราจะเห็นว่า พุทธศาสนาก็เป็นของชั่วคราวเพปัญถ่าว่าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าประตูที่จะทำะนำออกจากทุกข์ก็เป็นอันหมดไปถ้าประตูที่นำออกจากทุกข์หมดไปก็มีแต่ทุกข์ล้วนๆัญถ่าเราทั้งหลายไม่ตรัสรู้อริยสัจไม่เห็นอริยสัจในชาตินี้หรือชาติหน้าก็มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วไม่ต้องห่วงมีทุกข์อย่างลงแล้วเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวบ่อยๆว่า เราทั้งหลายเป็นเมล็ดพันธุ์ประเภทเพาะง่ายเพาะที่ไหนก็เพาะขึ้นเพาะในนรกก็งอกเพาะในเปรตก็งอกเพาะในเดชะชานก็งอกเพาะในอสุรกายก็งอกพาะในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็งอกแต่เพาะในสวรรค์หรือในพรหมโลกเพาะยากหน่อยเมล็ดไม่ค่อยดีปฏิสนธิวิญญาณนี่เหมือนพืชคือเมล็ดกรรมทั้งหลายกรรมเนี่ยนะก็คือเหมือนกับเป็นตัวที่สายเสื้อเชื้อสายพันธุ์ว่าจะเพาะขึ้นที่ไหน เข <c oughs> บอกว่าบางทีก็กรรมนี่ก็เหมือนนาทีนี้สัตว์ที่เกิดมาสมมติว่าแม้กระทั่งมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยนะเราไปศึกษาดูชีวิตความเป็นไปแต่ละคนเนี่ยนะจากการหาปัจจัยสี่ของเขาเนี่ยเขาหามาด้วยความง่ายหรือสัตว์ที่ได้เสื้อผ้าโดยไม่ยากไม่ลำบากมีมากหรือในโลกนี้นะผู้ที่ได้เสื้อผ้าโดยไม่ยากไม่ลำบากกับได้ด้วยความยากลําบากไหนมากกว่ากัน ผู้ที่ได้อาหารโดยความไม่ยากไม่ลำบากกับได้อาหารมาโดยความยากลำบากไหนมากกว่ากันผู้ที่มีที่อยู่อาศัยโดยไม่ยากไม่ลำบากกับได้มาโดยยากโดยลำบากอันไหนมากกว่ากันผู้ที่ได้ยามาด้วยความง่ายไายกับได้มาด้วยความทุกข์ความยากความลำบากอันไหนมากกว่ากันนั้นสัตว์โลกทั้งหลายได้ปัจจัย4ี่โดยยากหรือโดยง่ายจะรู้ว่าได้โดยยากเนี่ยนะ อาจจะประเทศหลายประเทศที่เจริญหน่อยก็ค่อยยังชั่วแต่ประชาคมโลกประชากรโลกที่ได้ปัจจัย4ี่เหล่านี้ด้วยความยากลําบากก็ไม่ใช่น้อยเลยนะนะก็บอกว่าต่อไปเมื่อแผ่นดินในโลกนี่ยมันจะเป็นทะเลทรายขึ้นอีกเป็นเป็นร้านไร่อ่ะนะหลายๆลร้านไร่เช่นประเทศอินเดียเป็นต้นเนยนะมันมีหลายส่วนหลายรัฐอ่ะที่ ท, ที่มันแห้งแล้งพอมันแห้งแล้งอย่างเช่นรัฐมิหารเนะี่ยก็แห้งแล้งมันก็มีแต่ทราย เมื่อมีแต่ทรายเมื่อมีการเพาะปลูกนะต้นไม้สีเขียวเป็นต้นไม่ค่อยงอกในที่สุดก็มีแต่ทรายเขาบอกว่าประชากรโลกจะอดอาหารเป็นพันล้านคนเนี่ยนะจะจะขาดขาดแคลนอาหารเนี่ยเป็นพันพันล้านเมื่อขาดแคลนอาหารเป็นพันล้านก็เพราะว่าข้าวกล้าเป็นต้นมันไม่งอกณนะสถานที่นั้นนั้นประชากรก็เดือดร้อนต่อไปนั้นปัจจัยสี่จึงได้มาโดยความทุกข์ความยากความลาบากคนที่เพียบพร้อมไปด้วยเบญจา ก, กามคุณ เพียบพร้อมไปด้วยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ดีตามที่ปรารถนามีไม่มากเพราะว่าอย่างว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของผู้มีบุญผลของเหล่านี้ก็เป็นของผู้มีบุญแล้วสัตว์ทั้งหลายโดยมากเป็นผู้สร้างบุญหรือทําบาปกันแน่ความโลภเป็นบาปการกําจัดความโลภเป็นบุญความโกรธเป็นบาปการกําจัดความโกรธเป็นบุญความลุ่มหลงเป็นบาปความกําจัดความหลง เป็นบุญกำความกำจัดความโลภอโลพานี่แปลว่าการกำจัดความโลภอโทสาแปลว่ากำจัดความโกรธอโมหะแปลว่ากำจัดความลุ่มหลงนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายยินดีที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงหรือเสริมสร้างเพิ่มเติมต่อเติมเพิ่มเชื้อให้แก่ความโลภความโกรธความหลงมากกว่ากันนันนเมื่อ ชีวิตมันเต็มอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงความตรหนีความมัจฉริยะเป็นต้นก็เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีกรรมมศกตารูผ้ผลบุญผลบาปก็เต็มไปด้วยความตรนีเต็มไปด้วยความห่วงแหนก็ตายจมไปกับวัตถุเหล่านั้นเหล่านั้นนไก็สถานที่ที่สแสวงหาปัจจัย4ี่เนี่ยนะสัตว์จุติปฏิสนที่อยู่แถวแถวนั้นเนี่ยไม่ใช่น้อยยนะอย่างข้าวทั้งหลายเนี่ย ใครที่เป็นชาวนาเนี่ยรู้ดีว่าจะได้ข้าวมาหนึ่งหนึ่งกระสอบนีน่นะหรือข้าวหนึ่งลิตรมาเนี่ยสัตว์ตายไม่ใช่น้อยกว่าจะได้ข้าวเหล่า น, นั้นมาเนี่ยนะสัตว์ตายเยอะนะผักกว่าจะได้มาเป็นผักสีเขียวที่เรามันอร่อยๆเนี่ยนะสัตว์ตายไม่ใช่น้อยมันเล้ยๆแห้งเนี่ยอาหารกว่าจะได้มาเสื้อผ้าเป็นต้นกว่าจะได้มาสรุปว่าได้มาด้วยความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนมันปัจจัยสี่ในในโลกนี่หายากจริงๆนะนะ ก็เพราะว่าบุญน้อยนะครับการเกิดมาในโลกทุกในการสแสวงหาอาหารถ้าตั้งคําถามว่าคนที่อยู่บนถนนทั้งหมดไปไหนกันบอกเข้าไปหาปัจจัย4ว่าปัจจัย4มันอยู่ที่ไหนทีนี้ไอ้เครื่องอํานวยที่จะทําให้ได้ปัจจัย4ี่เร็วเหมือนเนรมิตขึ้นก็คือเงินเรียกว่าเงินทองมันก็เลยเที่ยวสแสวงหาเงินทองแต่จริงๆเนี่ยนะเขาต้องการปัจจัย4เนี่ยนะถ้าเขาได้ปัจจัย4ครบถ้วนสมบูรณ์เงินไม่รู้เอาไปทําอะไร แต่เนื่องจากว่าแห้งแล้งขาดแคลนกันดานในปัจจัยสีไม่มั่นใจในปัจจัยสี่ที่จะมีใช้ต่อไปในอนอาคตก็เลยที่ระว่าเงินเนี่ยมันจะเป็นเครื่องอำนวยช่วยให้ตัวเองเนี่ยสมบูรณ์ภูมสุขไปด้วยปัจจัยสี่มันก็เลยสแสวงหาเงินเที่ยวหาเงินก็คือหาปัจจัยสี่แปรสภาพมาเป็นปัจจัยสี่แต่สิ่งเหล่านั้นถ้ากล่าวตามพระพุทธเจ้าก็คือมหาภูุรูปทั้งนั้นเห็นไห สรุปทบทวนว่าผู้ที่เห็นพบโดยความเป็นภัยเนี่ยนะเห็นพบโดยความเป็นภัยเห็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นภัยเห็นการเกิดในอบายก็เป็นภัยทุกในวัตฏะในอดีตก็เต็มไปด้วยภัยนะภัยแปลว่าน่ากลัวทุกที่จะมีต่อไปในอนาคตก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวการแสวงหาอาหารในปัจจุบันนี้ก็น่ากลัวก็เลยเห็นว่าเนคคัมมะสามอย่าง เป็นความปลอดภัยเนคขมมะเนี่ยนะเป็นความปลอดภัยเนคขมมะนี่มีอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งพระนิพพานเอาสูงสุดคือพระนิพพานพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ปลอดภัยที่จริงแท้เนี่ยนะเป็นธรรมที่เนี่ยดับชาติดับชราดับมรณะดับอบายดับวตฏะทั้งหมดเนี่ยนะดับความทุกข์ทั้งมวลเป็นธรรมที่สงบประงับความทุกข์โดยประการทั้งปวงทั้งหมดคือพระนิพพานเป็นเนคขมมะ เป็นการออกจากกองทุกทั้งหมดทีนี้ข้อปฏิบัติที่จะทําให้บรรลุนิพพานละ่ะก็คือสมถะและวิปัสสนาที่เป็นอุบายเป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้บรรลุพระนิพพานนั้นสมถะวิปัสสนาก็เชื่อว่าเนคข ม, มะเอาขณะเดียวกันเนี่ยนะจะเจริญสมถะและวิปัสสนาได้อย่างไม่ต้องภวพะพวองกังวลในเรื่องอื่นนะก็คือบัญปชาการเว้นจาก อ่าเรียกว่าการครองชีพแบบผู้ครองเรือนน่ยนะไม่การไม่ครองเรือนเรียกว่าบรรพชาเนี่ยเป็นอุบายแห่งสมถะและวิปัสสนามันทั่วๆไปเนคขมะก็จึงแปลง ง, ง่ายว่าคือการออกบวชอ่นนะจริงๆแล้วคําว่าเนคขมะเนี่ยสูงสุดเป็นชื่อของพระนิพพานที่ออกบวชทําไมจึงบวชก็เพื่อจะได้อยู่กับสมถะและวิปัสสนาได้อย่างต่อเนื่องสมถะวิปัสสนาเป็นอุบายเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงทําให้บรรลพุพระนิพพาน ทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเห็นเนื้อธมะคือนิพานสมถะวิปั ส, สนาและการบวชเนี่ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปฏิปกักษ์ตอบพบด้วยญาณจากักษุทเรียกว่าด้วยปัญญาถามว่าปัญญาที่จะทําให้รู้เห็นอย่างนี้ได้มาจากไหนด้วยการฟังด้วยการตรึกเนี่ยนะแล้วก็ด้วยภาวนาทีนี้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านได้ฟังมาจากที่ไหนท่านได้ฟังมาจากไหนก็บอกว่ายาก ส่วนใหญ่ท่านได้จากการตรึกทั้งนั้นเลยการตรึกเหล่านี้ถามว่าทําไมท่านตรึกได้ทําไมท่านนึกออกทําไมคนอื่นไม่นึกเหมือนท่านละ่ะก็เพราะสั่งสมมาต่างกันนะนะอย่างแม้กระทั่งจุลโพธิเนี่ยนะท่านจุลโพธิเนี่ยท่านสั่งสมมาแล้วสี่อสงไขยสี่อสงไขย 9, 9 9 9 9หมืกับกว่ากว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะก็คือเนื่องจากสั่งสมมาเป็นอย่างดี เพรท่านจึงมีอุปนิสัยที่จะน้อมนึกเห็นเห็นโทษของวัตตะแล้วก็เห็นคุณของวิวัตตะถ้าถ้าดูให้ดีๆเนี่ยนะชาติชรามรณะอบายวัตรทุกข์ในอดีตวัตรทุกในอนาคตทุกในการสแสวงหาอาหารในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก็คือทุกขสัจจะเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็คือทุกขสัจจะขณะเดียวกันสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทุกขสัจจะคืออะไรคือพระนิพพาน พระนิพพานนี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความทุกข์แผ่พระนิพพานนี้จึงเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วข้อปฏิบัติที่จะทําให้เข้าถึงความสุขอ น, นั้ น, นคืออะไรก็คือสมถะและวิปัสสนาแล้วสิ่งที่จะอํานวยให้สมถะวิปัสสนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องคืออะไรก็คือการบวชคือท่านเห็นแหะท่านมองเห็นช่องทางเนี่ยท่านมองออกหมดเลยเนี่ยนะท่านมองออกว่าการปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ นะคือก็อย่างที่ว่าการมองออกมีทัศนคติที่ถูกต้องก็ไม่ได้แปลว่าทำได้ตามนั้นทั้งหมดจริงๆแต่เข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรท่านก็เลยออกจากการเป็นเครือหัดอันอากูลไปด้วยโทษมากมายนะครวะนี่เป็นมีโทษยังไงโทษของคารวะนี่นะแล้วก็เห็นเปรียบเทียบว่าชีวิตของคารวะกับชีวิตของนักบวชแตกต่างกันอย่างไร มีโอกาสถ้าใครไปอ่านมิลินถ้าปัญหากล่าวถึงคุณของบรรพชาเนี่ยมีมากเลยนะคุณของการบวชซึ่งตรงนี้ของไม่พอที่จะกล่าวก็เลยนิราลายเาบอกว่าถอนตันหาที่เป็นเหตุแห่งอะไรนะก็ตัดตันหาพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าพระองค์นั้นไม่มีอะไรไม่มีการผูกพันในการครองเรือนแม้กระทั่งว่าบวชเข้ามาแล้วท่านก็ไม่ผูกพันใน ตรกูลใดๆทั้งนั้น น, นะนะเรื่องของท่านจูลโพธิเป็นอย่างไรบอกในอดีตการพัทกับคือกลับนี่แหละพัทกับคือกับอันเจริญเนี่ยนะแปลว่ากลับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกกี่องค์5องค์เนี่ย น, นะหกลับที่พระพุทธเจ้าเกิด5้าองค์เรียกว่าพัทธกับยังกลับเนี่ยเรียกว่าพัทกับเพราะพระพุทธเจ้าเกิด5องค์ด้วยกันนะองค์ที่หนึ่งก็กากุสันทาองค์ที่สอง โนาคมณนะองค์ที่สามกัสปะองค์ปัจจุบันคือองค์ของเราทั้งหลายเรียกว่าโคตมะที่จะมีในอนาคตต่อไปอันไกลพู้นก็เป็นเมตยะเนี่ยนะก็ในพระตะกับคือในในกลับนี่แหละพระโพธิสัตว์ท่านจุติจากพรหมโลกบังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ที่มีสมบัติมากตระกูลหนึ่งในกาศิกคามกาศิกคมก็เรียกว่าบ้านของชาวกาสีก็แสดงว่าอยู่ใน แขวนกาสีครั้งคราวหนึ่งอ่ะ น, นะคราวที่พ่อแม่ตั้งชื่อบิดามารดาก็ตั้งชื่อว่าโพธิกุมารโพธิแปลว่าโพธิปแปล ว, ว่าฉลาดอ่ะ น, นะเด็กฉลาดเหมือนกันเถอะกุมารฉลาดเมื่อโพธิกุมาร น, นั้นเจริญวัยก็ไปสู่เมืองตักกศิลาไกลนะไปเรียนถึงโน่นนะอัฟกานิสถานเขาไปไกลไปเรียนศิลปะทุกสาขาเมื่อเขากลับมา เมื่อกลับมาแล้วก็ทำยังไงอ่ะพอโตเป็นหนุ่มเต็มที่ทำเนียมใช่พ่อแม่ก็ได้นํากุลสตรีที่มีชาติเสมอกันมาให้ใจชจิงก็ไม่ต้องการจะแต่งงานถามว่าทำไมจึงไม่อยากแต่งงานก็อุปนิสัยที่มาจากพรหมโลกอุปนิสัยที่มาจากพรหมโลกนั้นมองเห็นการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่มันวุ่นวายะนะแม่กุลสตรีคนนั้นที่ไปนามา ก็จุติมาจากพรหมโลกเหมือนกันเป็นสตรีที่มีรูปงดงามเปรียบด้วยเทพอักษรก็คือสวยเหมือนนางฟ้านะแต่ก็ไม่ได้ว่าถ้าเหมือนนี่ก็ไม่ใช่อยู่แล้วล่ะใช่แม้ทั้งสองก็ไม่ปรารถนาไม่ต้องการจะแต่งงานมารดาบิดาก็ทำการอาวาหาวิวาหะมงคลคือแต่งงานให้แก่กันและกันถึงแต่งงานกันอย่างนั้นทั้งสองก็ไม่เคยมีกิเลส ร่วมกันเลยก็แปลว่าไม่เคยสมสู่กันเลยแม้แต่การมองดูกันด้วยอานาจราคะก็ไม่มีเรียกว่ามองแบบคนมีตันหาต่อกันก็ไม่มีไม่จำเป็นต้องพูดถึงการร่วมเกี่ยวข้องกันละเพราะทั้งสองเป็นผู้มีศีลบริสุทธ์ด้วยประการชนีนะก็เป็นคน ท, ที่เรียกว่าคนดีทั้งคู่นะเปรียบเหมือนแบบอะไรนะว่าอยู่คนเดียวเหมือนพรหมอยู่สองคนเหมือนเทวดา ถ้าอยู่สามคนก็เหมือนชาวบ้านถ้าอยู่เกินก็นั้นก็วุ่นวายแต่นี้ก็ท่านก็ทั้งคู่ก็อยู่เหมือนกับเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งคู่คล้ายๆคล้านะคล้ายๆกับพ่อแม่ของสุวรรณสามใชพ่อแม่สุวรรณสามเ็มลักษณะเดียวกันครั้นต่อมาเมื่อมารดาบิดาถึงแก่กรรมพระโพธิสัตว์ก็ทําชาปณนะกิจชาปณะเนี่ยแปลว่าเผานะทํากิจคือการเผาเรียบร้อยแล้ว ก็เรียกภริยามากล่าวว่านางผู้เจริญแม่นางจงครองทรัพย์80โกดเลี้ยงชีพให้สบายเถิดนะอยู่เย็นเป็นสุขนะทรัพย์ก็มีมากมายแล้วพระยาก็ถามว่าท่านผู้เจริญก็ท่านเล่าพระโพธิสัตว์ตอบว่าเราไม่ต้องการทรัพย์เราจากบวชนางก็ถามว่าก็การบวชไม่สมควรแม้แก่สตรีหรือพระโพธิสัตว์ตอบว่าควรสิ นางก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นแม้ฉันก็ไม่ต้องการทรัพย์ฉันจะบวชบ้างทั้งสองก็สละสมบัติให้ทานทั้งหมดนะสละสมบัติทั้งหมดให้เป็นทานเป็นการใหญ่ออกจากเมืองเข้าป่าแล้วก็บวชไปบวชก็ใช้เลี้ยงชีวิตด้วยพลาผลผ ล, ลไม้เล็กผ ล, ลไม้ใหญ่ที่สแสวงหามาได้ก็อยู่ในป่านั่นแหละ1ิปี อยู่อย่างมีความสุขจากการบวชเนี่ยนะก็การบวชบวชอย่างมีความสุขสบายหลังจากนั้นท่านก็เที่ยวไปตามชนบทเพื่อต้องการเศษของรสเปรี้ยวรสเค็มเป็นต้นเนี่ยนะหมายคือว่าเมื่ออยู่ในป่า น, นานๆเข้าร่างกายก็ต้องการอาหารนะต้องการรสเค็มรสเปรี้ยว ท, ที่ที่มีสารอาหารเน่ยนะ อ, อย่างว่าร่างกายของเราก็อยู่ด้วยสารอาหารในหลายอย่าง <c oughs> เมื่อร่างกายขาดสารอาหารท่านก็รู้ ก็เลยเที่ยวจาริกไปตามหมู่บ้านต่างๆก็มาถึงเมืองพารณสีโดยลำดับก็อาศัยอยู่ในพระราชอุทยานอยู่มาวันหนึ่งพระราชาก็เสด็จไปชมพระราชอุทยานครั้นเสด็จไปถึงที่ใกล้นนไปอยู่ใกล้ดาบดไปถึงใกล้ที่อยู่ของตาปะสินีก็คือดาบดผู้ชายดาบดผู้หญิงคู่นี้ทั้งๆ ท, ที่ดาบด ท, ทั้งคู่ยังเวลาให้ผ่านไปด้วย ความสุขในการบวชพระราชาก็ไปถึงอุทยานนั้นพระราชาก็ไปทอดพระเนตรเห็นนางปริภาชิกามีรูปงดงามยิ่งนักนนนะ ก, ก็สวยมากนะทั้นนะทงหน้าเลื่อมใสยอย่างยิ่งหมายว่าเห็นแล้วก็ติดใจเลยเม น, นมีใจปฏิพัทน์ด้วยอำนาจกิเลสพัทธะนี่แปล ว, ว่าผูก น, น, นะนะปฏิแปลว่าเฉพาะก็เลยผูกเฉพาะเอาไว้ด้วยอำนาจของกิเลส น, นนะจิตใจก็หมกมุ่นด้วยอานาจตัณหา ไอ้คำว่ากิเลสนั่นก็คือจิตใจที่เศร้าหมองจิตใจที่เศร้ามองที่ผูกเอาไว้นะด้วยอํานาจชันธราคะในนางปริภาชิกาเสร็จ แ, แล้วก็ถามพระโพธิสัตว์ว่าปริภาชิกานี้เป็นอะไรกับท่านพระโพธิสัตว์ทูลว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเพราะว่าทั้งคู่เป็นบนรรพชิตเป็นนักบวชร่วมบรรพชากันอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อตอนเป็นครือขัสเนี่ยได้เป็นภริยาของอาตมา พระราชาคิดว่านางปริภาชิกานี้มิได้เป็นอะไรกับพระโพธิสัตว์แต่เมื่อครั้งเป็นเครือขัดได้เป็นภริยาถ้ากะไรเราจะนําปริภาชิกานี้เข้าไปภายในเมืองบอกว่าช่างเถอะนี่ยจะเอากลับเอาเอากลับวางดีกว่าเพราะเหตุ น, นั้นเราจะรู้จักการปฏิบัติของปริภาชิกานี้ต่อพระโพธิสัตว์พระราชานั้นเป็นอันตพานอันทะแปลว่าบอดภาระแปลว่างู ก็ถือว่าเป็นพระราชาเนี่ยทั้งโง่ทั้งบอดไม่สามารถที่จะหักห้ามจิตของพระองค์ในปริภาชิกาอนั้นได้ทั้งๆ ท, ที่นางปริภาชิกาก็เป็นนักบวชเนี่ยในความที่ตัวเองเป็นคนโง่คนบอดความโง่เคลาด้วยอํานาจกิเลส ท, ที่มันแทกเข้าไปในจิตใจเนี่ยหลงลืมไปทุกเรื่องก็เลยรับสั่งราชบุรุษว่าจงนําปริภาชิกานี้เข้าสู่ราชนิเวศเจงก็อดีตชาติของพระอา น, นนท์นั่นแหละเห็นไหมก็ว่าอะไรนะ เวลาอากุศลมันแทรกเข้ามาเนี่ยนะคนที่เป็นบัณฑิตก็ยังเสียหายนะคือเขาบอกว่าขณะที่กิเลสกิเลสแทรกเนี่ยนะท่านบอกมันเป็นความเมาชนิดหนึ่งนั้นคนที่เมาแล้วเนี่ยนะจะเป็นใครก็ตามขอให้ถ้าเมาไปแล้วนี่ก็หมดสภาพฉันใดผู้ที่สั่งสมบุญมามากก็ตามถ้าหากว่าเจอบาปอากุศลถ้านนนท์ไ้สั่งสมมาแล้ว99999มื่ก้ันเกร้อบเศษแล้วนัเนี่ย ถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ด้วยบาปอากุศลที่เคยสั่งสมมาเนี่ยนะจิตใจที่หมกมุ่นกับบาปอากุศลทั้งหลายทัา น, นก็เลยไม่สามารถที่จะหักห้ามจิตได้พวกราษพระองค์ก็บัญชารับสั่งให้พวกราชาวบุรุษนําปริภาชิกาไปนางปริภาชิกานี่ก็ร้องให้คร่ํามกวนนะถูกจับไปก็ไม่ได้ดีใจนะ กล่าวคำว่าอาธรรมย่อมเป็นไปในโลกอาธรรมเจริญจริงเนาะอาธรรมคืออะไรอกุศลกรรมบทนี่ช่างเจริญรุ่งเรืองจริงๆก็ได้แต่คร่ำครวรไปเนี่ยนะพวกราชบริษก็ไม่สนใจนะก็ฉุดไปเลยพระโพธิสัตว์ฟังเสียงคร่ำครวรของปริพาชิกานั้นแลดูครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้แลดูอีกก็มาคิดในใจว่าถ้าหากว่าเราจะห้าม อันตรายจากมีแก่ศีลของเราเพราะมีจิตคิดประทุษร้ายต่อคนเหล่านั้นจึงนั่งรำพึงถึงศีลและบารมีของตนอย่างเดียวท่านห้ามได้นะท่านก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีกําลังไม่มีความสามารถไม่มีความอะไรเนี่ยนะไม่ใช่แต่ว่าถ้าหากว่ามองคนที่ฉุดไปเหล่านั้นด้วยอํานาจความก โ, โกรธโกรธเป็นศีนหรือไม่ก็ความกโกรธก็ไม่ใช่ศีล เราเสียศีลแน่เนี่ยนะถ้าเราแม่ก็ต้องคิดความคิดที่ไม่ดีก็ต้องเสียศีลตัง้งแต่คิดแล้วเนี่ยนะเป็นบาปตัง้งแต่คิดแล้วมันก็เห็นโทษของความคิดเหล่านั้นเ <c oughs> นี่ยอธิบายว่าบทว่าโกเอโกโปเมอุปชัชชะความกโกรธเกิดขึ้นแกเราเน <c oughs> ี่ยนะคือตอนที่ที่ถูกพวกราชบุรุรจับไปเนี่ยนะก็โกรธขึ้นมา บอกว่านางพรามณีผู้นี้เนี่ยเป็นผู้มีศีลแล้วก็ยังเป็นพริยาของเรานะเมื่อเป็นเครือขัดครั้นบวชแล้วก็เป็นน้องสาวเกิดร่วมโดยเป็นเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันตอนยังไม่บวชก็เป็นเมียเนี่ยนะบวชเข้ามาแล้วก็เหมือนกับน้องสาวนางพรามณีคนนั้นถูกราชบุตรฉุดเข้าไปโดยพระกลางต่อหน้าท่านไอมานานุสัยอุปนิสัยที่เรียกว่าเจอปฏิฆาณิมิตก็โกรธใช่ไหม ให้สะสมความโกรธมาช้านานก็ผุดขึ้นด้วยอํานาจมา n ะของลูกผู้ชายว่าดูก่อนโพี่พรามท่านนี้เป็นลูกผู้ชายเสียเปล่ า, านะก็อะไรนะ mana ก็แทรกเข้ามาเลยโอ้ยเป็นผู้ชายเปล่าเนี่ยนะไอเขาฉุดไปต่อหน้าต่อตาได้ยังไงจะนี้พลันก็เกิดขึ้นจากใจนะ mana ก็เกิดขึ้นโทสะก็เกิดขึ้นเหมือนอสรพิษถูกบุรุษคนใดคนหนึ่งฉุดครูดออกจากจอมปลวกแล้วก็แผ่แม่เบี้ยดัง สูสูเนี่ยนะฟู่ฟูนะแต่ว่าแขกนี่ฟั ง, ฟ, งฟังเสียงอสสารพิษสูสูจริงมันคู่ฟู่ฟูนะแต่จริงนะพวกพวกอสสารพิษเนี่ยนะขณะที่โกรธขึ้นมันก็เป็นเหมือนอย่างนั้นจริงๆริเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งโหมีเรื่องหนึ่งแล้วโกรธมากเลยนะคือพอพอสังเกตดูสภาพของความโกรธอันนั้นเออเหมือนงูจริงๆเลยนะ อย่างที่กรั้งแรกก็บอกอะไรนะใจเร็วใจร้ายใจวายบอดฟูฟูฟอดฟอดมันงูเห่าเนี่ยนะมันก็เป็นสภาพมันมันเหมือนกับงูเห่าจริงๆหรือบางคนเนี่ยเขเรียกว่าเหมือนกับลูกศรที่ที่ถูกยิงเนี่ยนะ ก, ก็สังเกตสภาพตอนที่มันมันโกรธขึ้นมาเนี่ยมันดุร้ายแบบนะั้นจริงๆก็แต่ว่าที่โกรธก็เหตุผลก็คือเพราะมานะนะนะนะตรงนี้บอกว่ามานะของลูกผู้ชาย บทว่าสหโกเปสมุปปนเนคือพร้อมกับความโกรธที่เกิดขึ้นขณะพอโกรธขึ้นวูบเราละลึกถึงศีและพาตมนุสเริงเราละลึกถึงสีและวัดคือละลึกถึงศีและบารมีของตนบทว่าตัดเทวโกปังนิคันหิงเราข่มความโกรธได้ณที่นั้นเองคือตามที่เรานั่งบนอาสนะ น, นั้นเองเราห้ามความโกรธนั้นได้ บทว่านาทาสิงวัิตูปริไม่ให้มันเจริญขึ้นต่อไปอีกคือไม่ให้มันเจริญยิ่งไปกว่าที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกแปลว่ามันโกรธขึ้นมาครั้งเดียวแล้วเลิกได้เลยนะถือว่าเก่งมากนะไม่ไม่ยอมให้มันมันคิดต่อไปอีกมันผุดขึ้นด้วยอำ น, นาจความโกรธแล้วห้ามใจไว้ได้ภาษาธรรมธรรมะเขาบอกว่าพวกนี้เขาเรียกว่านายสารธีสมัยโบราณนะขับรถมาใช่ คนนี้เป็นนายสารธีที่สามารถหยุดรถได้แต่คนที่เหลือเป็นแต่เพียงคนจับเชือกเข้าว่างั้นจดจับเชือกถ้าสมัยนี้ใครที่ห้ามความกโกรธได้ก็เรียกว่าเป็นคนขับรถที่แท้จริงแต่ถ้าใครที่ไม่สามารถหักห้ามความโกรธได้ก็พวกคนจับพวงมาลัยเขาว่างั้นเอาจับเชือกกับพวงมาลัยก็คล้ายๆกันนะเมื่อไหร่ที่เราจะแตะห้ามควา ม, วามกโกรธได้เหมือนกับเหยียบเบรก น, นะแต่ถ้าไม่สามารถห้ามได้ก็จับแต่พวงมาลัยไปก่อนนั่อธิบายว่า เมื่อความโกรธเกิดขึ้นนั่นเองเราก็ปริพาสตนปริพาสก็หมายโดยสัพแปลว่าด่านะแต่ในที่นี้ไม่ใช่แบบเป็นการด่าแบบนั้นแต่เป็นการตําหนิตําหนิหรือตักเตือนสอนตนเขาเรียกว่าตนสอนตนอัตโนโจทย์ตระนังก็คือตนเตือนตนตนสอนตนจริงแล้วทุกเรื่องทุกอย่างในโลกเนี่ยนะถ้าเราบอกใจเราเองได้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรนะเราจะยอมรับด้วยดีนะถ้าบอกกันด้วยเหตุด้วยผลทั่วๆไป นี่ก็เหมือนการพระโพธิสัตว์ท่านก็สอนตนว่าดูก่อนโพธิปริภาชคท่านบำเพ็ญบารมีทั้งปวงที่ท่านบำเพ็ญบารมีคือคุณธรรมทั้งหมดก็จะรู้แจ้งแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานไม่ใช่หรืออะไรกันนี่แม้เพียงศีลท่านก็ยังเผลอเรอได้จะรักษาศีลรวบรวมศีลเป็นต้นเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้านี่ปล่อยให้ศีลรั่วดได้อย่างไรเนี่ยนะอะไรนะเขาบอกไม่ถึงกับขาดนะแต่ว่าแม้ดูท่าศีลจะปริแล้วนะเนี่ย ความเผลอเรอนียออ้ย่อมเป็นดุดความที่โคทั้งหลายประสงค์จะไปยังฝั่งโน้นแห่งมหาสมุทรจมอยู่ในน้ำากรดฉะนั้นจริงๆก็ทีแรกก็ทำท่าจะข้ามฟากไปอยู่ดีๆทำไปทำมาก็ไปเจออะไรถูกสูบลงในโน้นนะั่นแหละขณะนั้นนั่นเองท่านก็ข่มความโกรธไว้ด้วยกำลังแห่งการพิจารณาบทนี้เขามาประทับใจที่สุดว่า ขณะนั้นนั่นเองท่านก็ข่มความโกรธไว้ด้วยกําลังแห่งการพิจารณาพันไม่ใช่ว่ายุดห้ายาไม่ใช่แต่พูดถึงความเสียหายของความโกรธก็บอกด้วว่าเราโกรธและเราเสียหายอย่างไรบ้างจากเหตุการณ์นี้อย่างพระโพธิสัตว์ท่านบอกเลยว่าถ้าท่านโกรธเนี่ยนะท่านมาหาอะไรท่านมาหาโพธิญาณท่านมาสแสวงหาคุณธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาโกรธนี่มันเป็นคุณธรรมอะไรบ้าง ความโกรธเป็นฐานบารมีไหมก็ไม่เป็นความโกรธเป็นศีลบารมีไหมก็ไม่เป็นความโกรธเป็นเนคขมมะบารมีไหมไม่เป็นความโกรธเนี่ยนะเป็นปัญญาบารมีไหมไม่เป็นและความโกรธเป็นวิริยะบารมีไหมก็ไม่เป็นความโกรธเป็นสัจจะบารมีไหมไม่เป็นความโกรธเป็นขันติบารมีไหมก็ตรงกันข้ามกับขันติความโกรธเป็นอธิฐานบารมีไหมก็ไม่ใช่ความโกรธเป็นเมตตาไหม บอกไม่ศัตรูของเมตตาแล้วความโกรธเป็นอุเบกขาบารมีไหมก็ไม่เป็นขณะที่โกรธเป็นอุปปารมีไหมก็ไม่ใช่อุปปารมีเป็นประัมมัทปาบารมีไหมไม่เป็นบริจาคห้าได้ไหมมหาบริจาคไม่ได้แต่ยาพระยาได้เอาขณะที่โกรธเนี่ยใช่ไหมไอายานี่ได้แต่ว่าไม่ไม่บริจาคขณะที่โกรธขึ้นมาเนี่ยนะกรุณาเป็นต้นจะเพิ่มพูนไหมกรุณาก็ไม่เพิ่มพูนบุญกุศลทั้งหลายเพิ่มพูนไหมก็ไม่เพิ่มพูน อะไรล่ะก็ตรงกันข้ามหมดขณะที่โกรธทําลายทานทําลายศีลเนคขมมะทําลายปัญญาทําลายวิทยะทําลายขันติทําลายสัจจะทําลายอธิษฐานทําลายเมตตาทําลายอุเบกขาทําลายคุณงามความดีทําลายบุญกุศลที่ตัวเองได้ทํามาทั้งหมดเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าบุญทํามาตั้งเยอะแยะโกรธแล้วตกนรกไปบุญที่ทําไจ้ทําอะไรได้มันตกไปแล้ว่ะทําอะไรกันเนี้ยเห็นไหมทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะหมายว่า ถ้าหากว่าไม่โกรธล่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็เห็นคุณของความไม่โกรธเห็นคุณของศีลที่รักษาว่าศีลที่รักษาในช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นต้นอย่างไรมีอุปการะคุณอย่างไรศีลที่รักษาดีในโลกนี้อย่างไรดีในชาติหน้าต่อๆไปอย่างไรเป็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลเป็นต้นอย่างไรก็พิจารณาเห็นคุณของศีลโดยประการทั้งปวงคนที่เขาไม่ไม่เป็นอกุศลไม่ใช่ว่าเออมันก็ไม่โกรธอะ่ะ ทำไมไม่โกรธก็ไม่รู้ไม่แต่นี้เป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขามีการไข้ควรวญทั้งหมดเนี่ยนะมีการไข้ควรวญมีการพิจารณาเขาบอกว่มีบางท่านว่าพุทธศาสนาคืออะไรเขาบอกว่าพุทธศาสนาถ้าให้สอนให้ทําอะไรบอกสอนให้พิจารณาเขาว่างนั้นนะ อ, อย่างชอบในคาถาธรรมบทอยู่เรื่องหนึ่งเขาบอกปัญญาเขาไม่ได้มีไว้ต้มยำำําทําแกงเขาอามีไว้ให้พิจารณาเขาว่างนั้น ใครที่มีปัญญาก็คุณสมบัติของปัญญาก็คือเอาไว้พิจารณานะก็ต้ยมยำก่อนไปได้อะไรก็ไม่ได้นะการที่พิจารณาอย่างนี้นี่ก็สามารถห้ามความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละมันโกรธขึ้นแม้ครั้งเดียวแล้หลังจากนั้นก็ห้ามมันไปเนี่ยนะอธิบายอธิบายต่อไปว่าพระราชาหรือใครๆเนี่ยนะคือพระโพธิสัตว์หลังจากท่านพิจารณาอย่างนั้นแล้วนะ ท่านก็สอนตนว่าความโกรธเพึ่งโกรธเขาบอกว่าอะไรนะถ้าใครๆพึงเอาหอกอันคมกริบแทงนางพรามณีนั้นเราก็ไม่พึงทำลายศีลของเราเลยเพราะเหตุแห่งโพธิญาณเท่านั้นเราจะเกลียดนางพรามณีนั้นก็หาไม่ได้เราจะไม่มีกำลังก็หาไม่ได้เพราะพระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้น เราจึงรักษาศีลนั้นเอาไว้ชนนี้แลแต่พูดถึงแบบคนทั่วๆไปนะบางคนเนี่ยใครจะว่าตัวเองจะตําหนิตัวเองจะเคียดจะตีจะโบยจะทุบจะเขคนจะฆ่าตัวเองบางคนไม่โกรธจริงๆนะแต่ไปทําคนที่ตัวเองรักเนี่ยนะทนไม่ได้นะนะอย่างที่เขบอกว่าด่าเราก็พอทนได้แต่ว่าไปด่าสุนัขที่เราชอบนี่สิมันทนไม่ได้จริงๆบางคนเนี่ยรักสุนัขมากๆเป็นขนาดนั้นเนะเรื่องอื่นทนได้หมดบางคนเนี่ยนกก็เหมือนกันรักนกมาก ทำเรื่องอื่นไม่หมดนะนะเว้นแต่นกตัวโปรดคนนั้นนะ่ะนี่ก็เหมือนการบางคนที่รักลูกมากที่สุดเนี่ยใครทําอะไรลูกไม่ได้เลยนะแม้กระทั่งครูครูบางคนตีลูกเขาที่ไหนได้แทบจะไปฆ่าครูด้วยซ้ําไปเพราะรักลูกมากนี่บางคนรักภริยา ม, มากนะก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งกันยอมคนหนึ่งเขาอะไรอะไรนะคนข้างบ้านเด็กเขาไปคนข้าง้ๆบ้านเนี่ยไปขโมยของในในในนาของเขาอ่ะนะ เมียของเขาก็ไปห้ามไอเจ้าคนนี้ก็เลยตบเมียของเขาเนี่ยคนเนี้ยผูกเวนตลอดเลยนะผู้ชายที่ที่ที่เมียตัวเองถูกตบเนี่ยผูกเวนไว้ตลอดเลยเขากโกรธแค้นมากตอนนั้นไอคนที่ ท, ที่ที่ตบเมียขเขาก็ตายเขาก็ยังผูกเวนอี ก, ก น, นะคล้ายๆว่าชั่วกี่กับกี่กันอะไรก็ขอให้มันได้ได้ซัดได้เข้นได้ฆ่าอะไรคือมันโกรธฝังใจมากนะ ทั้งทงที่ตอนหลังเมียตัวเองก็ตายไปแล้วเอกชายคนนั้นก็ตายไปแล้วแต่ความพยาบาทนั้นมันมันไม่เลิกมันไม่หายนะแต่พอดีมีอยู่ตอนนั้นไปพูดถึงโทษของกานโกรธแล้วก็อา น, นิสง์ของการเจริญเมตตาพอแสดงธรรมลงมาจากที่แสดงธรรมนะพอกวท่านอาจารย์ครับพอเราตั้งอันนี้ไปผมเลิกโกรธแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังนะผมเลิกจองเวรแล้วผมเลิกอะไรแล้วก็เล่าเขาบอกเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเลยนะ บอกเออดีงคนเนี่ยบางทีก็อะไรนะไปประทุสร้ายในสิ่งที่ตัวเองรักนธนุถน้อมห่วงแหนสั้งแกะดูง่ายๆว่าคนที่รักรถมากที่สุดเนี่ยนะแม้กระทั่งร้อยขวบนิดเดียวก็จะตายแล้วเนี่ยนะยิ่งแบบหน้าขวบเย็บตั้งสี่ห้าเข็มบางทีก็ไม่ได้หนักใจเท่ากับรถรอยรอยขวบเท่านั้นนะบางคนที่ที่เอาขนาดนั้นเลยจริงๆไอความรักความห่วงแหนนี่ก็ลักษณะเดียวกันว่าในเรื่องนี้ก็กล่าวถึงว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะ ทั้งๆ ท, ที่ตอนเนี้ยท่านก็ไม่ได้ยังไม่ได้ฌานยังไม่ได้อะไรแล้วก็อยู่ด้วยอะนะคือคือเดินเกี่ยวใช้ชีวิตร่วมกับนางพรามณีเนี่ยิกว่าปีหรือเป็น20ปีเนี่ยนะใช้ชีวิตอยู่ด้วยการไปไหนเจริญเรียกว่าเจริญกุศลร่วมกันเป็น10 10ปีเหล่านี้จริงอยู่ถึงไม่มีฉันทราคาแบบคนทั่วไปก็จริงอยู่แต่ขนาดนั้นก็ยังก็ถือว่ายังอะไรนะผูกพันแล้วก็ห่วงแหน มันพอมาเขาฉุดไปต่อหน้าต่อตานั้นก็เลยโกรธแต่ท่านก็ห้ามความโกรธอันนั้นไว้ได้ก็เลยสมาทานอธิษฐานต่อไปว่าท่านอธิษฐานไว้อย่างไงตัวในครั้งหนึ่งนะว่าถ้าใครเอาหอกอันคมกริบแทงนางพรหมมณีเราก็ไม่พึงทำลายศีลของเราเลยเพราะเหตุแห่งโพธาิาาณอธิบายต่อไปว่าพระราชาหรือใครใครอื่นเอาหอกอันคมกริบ แทงนางพรามณีปริภาชิกานั้นหากจกะตัดนางนั้นให้เป็นชิ้นๆแม้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ทำลายศีลคือศีลบารมีของตนเลยเพราะเหตุไรเพราะเหตุแห่งโพธิญาณเท่านั้นคือเราสามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยศีลที่ไม่ขาดในที่ทั้งปวงไม่ใช่ด้วยเหตุนอกนี้หมายคือว่า ไม่ใช่เพราะเหตุว่าไปหึงไปหวงไปหวงไปแหนถึงขนาดว่าใครมาประทุสร้ายก็ฆ่าเขาเนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้ใดมาประทุษร้ายนางพรหมณีแล้วอ่ะไปฆ่าคนที่มาประทุษรายนางพรหมณีจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมหมดสิทธิ์เลยนะจบเลยนะแล้วว่าจบเลยอะ่ะพันศีลที่ไม่ขาดศีลที่ไม่ด่างศีลที่ไม่พร้อยศีลที่เป็นไทยศีลที่ รักษาด้วยดีศีลที่ตั้งมั่นอยู่นานศีลเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณเนี่ยนะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้แม้กระทั่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลเช่นบรรลุโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะเขาเหล่านั้นเป็นคนรักศีลกว่าชีวิตอยู่แล้วการที่บรรลุโสดาปฏิมา ค, คืออะไรโสดาปฏิมาคเนี่ยนะก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ย ประชมรวมพร้อมกันถ้าหากว่าศีลไม่ดีทั้งแต่ต้นนั้นโสดาปฏิมาจะเกิดได้อย่างไงศีล ส, สมถาวิปัสนาวิสุทธิ์ที่เป็นต้นถ้าไม่ดีจริงนะ่ยนะมันจะบรรลุมรรคผลได้อย่างไรอนนะทุกแห่งเนี่ยมรรคผลทั้งหลายก็เกิดด้วยศีลทั้งนั้นนั่นแหละแม้กระทั่งมรรคผลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดมาจากศีลเหมือนกันบทวา่านะเมสาบ ร, รมณีเดสาเราจะเกลียดนางพรามณีนั้นก็หาไม่ได้ คือเขาบอกว่าคนที่เกลียดกันเนี่ยเหตุให้เกลียดเพราะอะไรนางพรามณีนั้นจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ได้คือไม่เป็นที่รักของของเราก็หาไม่ได้ก็แปลว่าไม่เกลียดชังขณะเดียวกันนางพรามณีก็เป็นผู้ที่เป็นที่รักของท่านนะนะคือหาช่องตำหนินางพรามณีไม่ได้เลยเช่นคนเนี่ยถ้าจะชิงชังกันเพราะชาติเช่นชาติชาติไม่เท่ากาันโคตไม่ เท่ากันหรือตระกูลไม่เสมอกันอันนี้เป็นเหตุให้รังเกียจเดียดฉันกันเนี่ยนะทำให้ขาดความรักขาดความผูกพันก็เพราะเหตุผลหนึ่งคือชาติโคตรตระกูลหรือกิริยามารยาทเนี่ยนะเช่นกิริยามารยาทถึงอะไรความทุศีลความชั่วทางกายทางวาจาความเป็นคนขี้โกรธเอาแต่ใจตัวเองเป็นต้นหุนหันพลันเล่นโดยประการต่างๆแต่นี้นางไม่เป็นอย่างนั้นเลยขณะเดียวกันยังมีคุณสมบัติ พิเศษอีกนางก็เป็นผู้ที่มีศีลเป็นต้นแล้วก็ยังเป็นผู้ที่บวชเนี่ยนะเป็นคนที่มีคุณงามความดีสะสมมานานสรุปว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เราไม่นักนางพรามณีไม่มีเหตุผลที่ไปเกลียดนางพรามณีแม้แต่ข้อเดียวเนี่ยนะแม้แต่ด้วยเหตุผลใดก็ทั้งอมาวัดดูแล้วอนนานาถไล่ตั้งแตยังไม่บวชก็ด้วยอำนาจทรัพย์สินชาติตระกูลผิวพรุ์เป็นต้นไม่มีแม้แต่อย่างเดียวสรุปว่า นะนางพรามณีนั้นจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ได้แกลเป็นภาษาไทยว่าก็เป็นที่รักของเราอย่างยิ่งนั่นแหละเขาก็อย่างคือคือสำนวนบาลีเนี่ยบางทีก็ต้องเข้าใจนิดห น, นึ่งเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าพระราชาจะฆ่าคนคนหนึ่งก็บอกว่ า, า, า, า, นน ก, ก, วาก่อนจะประหารชีวิตของเจ้าเราจะให้พรเจ้าข้อหนึ่งก่อนประหารชีวิตนี่ก็แปลว่าขอพอรเสร็จแล้วจะฆ่าแต่คนนี้ก็เลยขอพอร ขอให้ได้เห็นพระองค์มีพระชนยืนตลอดร้อยปีขอพรนะขอให้ได้ะนะขอแค่ว่าให้มีบุญได้เห็นพระองค์เนี่ยมีชีวิตยุพระชนมายุยืนร้อยปีเอาขอชีวิตหรือไม่ขอก็แปลว่าขอให้เห็นพระองค์เนี่ยมีชีวิตยืนอยู่ร้อยปีอ่ะอันนี้ก็แปลว่าอย่าประหารฆ่าพระองค์เลยนะ เนี่ยคคือสำนวนของเขานี่บางทีก็แปลไว้อย่างนั้นนะนี่ก็เหมือนกันบทว่าเมพลังนะวิชติตเราไม่มีกำลังก่อหามิได้คือกำลังของเราจะไม่มีก่อหามิได้โดยที่แท้กำลังของเราเนี่ยมีมากทีเดียวเรานี่มีกำลังดุดช้างสารแปลว่าแสดงว่ามีกำลังเหมือนพญาช้างนะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเรียวแรง ปรารถนาอยู่ก็สามารถจะลุกขึ้นฉับพลันแล้วบทขยี้บุรุษที่ฉุดนางพรามณีนั้นแล้วจับบุรุษนั้นอะไปยังที่ต้องการจะไปได้ท่านแสดงไว้ดังนี้คือความสามารถของพระโพธิสัตว์เนี่ยทำได้ทุกอย่างหมด น, นะครับว่าฆ่าคนทั้งหมดที่มาฉุดนางไปทั้งหมดนั้นก็ได้แต่สัพพัญยุตังปียังไม้หังพระสัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราปียังเนี่ยแปลว่าเป็นที่รักนีนะ สัพพัญยุตังปียงไมหังพระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราคือพระสัพพัญยุตยานเท่านั้นเป็นที่รักของเรายิ่งกว่านางปริภาชิกานั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเขบอกสรุปว่าชันตาเนี่ยไนอะความที่ในใ น, ในอะไรนะธรรมะสโมโอธาน8ประการที่ทําให้ท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งก็คือรักในโพธิยานมีใจปรารถนาในโพธิยานอย่าง เลึอกส่งเพราะฉะนั้นจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอะไรมันจะดียังไงก็ดีไปเถอะอะไรจะงดงามขนาดไหนก็งดงามไปเถอะจะดีขนาดไหนก็ดีไปเถอะแต่ก็ไม่ดีเสมอเท่ากับโพธิญาณมันรักโพธิญาณยิ่งกว่าทุกอย่างในโลกแลนะก็บอกว่าแก้วตาดวงใจทั้งหลายเนี่ยก็เป็นที่รักที่สุดของสัตว์ทั้งหลายก็ควักตาให้เป็นทานได้พาหัวใจให้เป็นทานได้เพราะรักโพธิญาณยิ่งกว่านั้นไปอีกเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นตัสมาศีลานุรักษิสังเพราะเหตุนั้นเราจึงรักษาศีลเอาไว้ก็ดังที่กล่าวไปแล้วว่าถ้าไม่ไม่มีศีลหรือศีนไม่ดีจะบรรลุโพธิญาณได้อย่างไรลําดับนั้นนะ่ะนะในผูดถึงพระโพธิสัตว์ก็ข่มโทสะของตัวเองก็นั่งนิ่งอยู่ในในอุทยานนั้นน่ะนะฝ่ายพระราชาก็ไม่ทําการชักช้าอยู่ในพระอุทยานก็รีบเสด็จไปโดยเร็วเท่าที่จะเร็วได้ ก็เอานางพรามณีนี้ไปถึงวังเสร็จแล้วก็ตรับเรียกนางปริภาชิกานั้นมาทรงมอบยศเป็นอันมากให้โอ้ยเขาเรียกว่าสั่งระดมยศยศยกยศยศตําแหน่งให้เยอะแย ะ, ย ะ, ยะไปหมดเลยนางปริภาชิกานั้นไม่รับนางปริภาชิกากล่าวถึงแต่โทษของยศว่าโทษของการครองเรือนเป็นต้นมีโทษอย่างไรนะโทษของการอยู่ในตําแหน่งเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็กล่าวแต่คุณของการบวช และความที่ตนและพระโพธิสัตว์นั้นละกองโพวกสมบัติอันมหาศาลแล้วบวช ด, ด้วยความสังเวชก็คือสรุปว่านางเนี่ยนะนางปริพัชชิกาเนี่ยเล่าความหลังทั้งหมดให้ให้พระราชาฟังน่ยนะว่าเหตุผลที่ตนออกมาบวชนี่เพราะอะไรเห็นโทษของวัตตะอย่างไรเห็นคุณของการออกบวชอย่างไรจริงๆแลก็ตระกูลก็ไม่ได้ยากจนอะไรมีทรัพสมบัติตั้ง80โกดเป็นต้นเนี่ยนะ พระราชานั้นเมื่อไม่ส่งให้นางได้สมพ่อพระททยโดยอุบายใดๆสรุปแล้วใช้อุบายทั้งขูทั้งปลอบทั้งสารพัดเอาอย่างะนะนางก็ไม่เล่นด้วยชากอย่างก็เลยคิดว่าปริภาชิกาผู้นี้มีศีลมีกัลยาณธรรม มีศีลก็คือศีลดีกาลยานธรรมก็คือทํางามก็เป็นผู้มีศีลดีมีทํางามศีลก็คือกายวาจาจะกายวาจานี้ดีเหลือเกินจิตใจก็ดีเยี่ยมแม้ปริภาชิกานั้นเมื่อปริภาชิกานั้นถูกฉุดมาก็ไม่ได้แสดงอาการผิดปกติอย่างใดเลยขณะที่ถูกฉุดมาไม่ด่าใครเลยนะไม่ตำเนีไม่ด่าใครแบบคนมีโทสะอะไรไม่พูดแต่ว่าอาธรรมได้เกิดขึ้นแล้วในโลก อธรรมได้เกิดขึ้นแล้วในโลกลนะความเสื่อมทั้งหลายเจริญแล้วในโลกคาพูดเหล่านี้เนี่ยนะสำหรับคนที่สั่งสมบุญมาดีอย่างพระราชาพระองค์นี้ที่เป็นอดีตชาติของพระอ น, นุนเนี่ยนะท่านก็มีสติสัมปชัญญะคือคืออย่างว่าบางคนเนี่ยนะคนเลวเนี่ยไม่กลัวแม้แต่นิดเดียวในจิตใจกลัวอย่างเดียวคือกลัวคนดี น, นะเป็นคนที่กลัวต่อคนดีที่สุดเนี่ยนะกลัวคนเลวไม่เห็นหน้าเกรงใจตรงไหนเลยปราณนั้นเกรงใจแต่คนดีอย่างเดียว เขบอกว่าใจเร็วๆไม่รู้จะเกรงไปทำไมเนี่ยนะแต่เกรงใจที่ดีๆเหลือเกินเนี่ยนะเห็นคุณของคนคนที่มีคุณธรรมสรปว่านางพรามณีไม่คำนึงถึงอะไรทั้งหมดละเลิกถึงแต่ทำอย่างเดียวการทำสิ่งผิดปกติในผู้มีคุณธรรมเห็นป่านี้ไม่สมควรกับเราเลยโอตปะก็เกิดขึ้นนะฮรโอตปะกก็เกิดขึ้นเราจะทำสิ่งที่เลวร้ายชั่วช้าลามมกเหล่านี้ได้อย่างไร ก็อย่าลืมว่าิริโอตะปะเป็นเหตุใกล้ของศีลพระราชาเนี่ยมีหิริมีโอตปะในปริภาชิกาคนนี้ก็ก็ตัดใจแล้วเอาเถิดเราจะพาปริภาชิกาเนี่ยไปยังอุทยานเสร็จแล้วก็ขอขมาปริภาชิกาไปขอขมาปริภาชก ครั้งนั้นพระราชาก็คิดอย่างนี้แล้วก็รับสั่งกับราชบุรุษว่าพวกเจ้าจงนำปริพาชิกานี้มายังอุทยานก็สั่งว่าเอ้าเอากลับไปเสร็จแล้วพระองค์นี้ก็รีบเสด็จไปก่อนเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าท่านผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้านานางเอานำปริพาชิกานั้นไปพระคุณเจ้าโกรธหรือเปล่าก็ปลว่าอยากจะลองดูเหมือนกันนั่นนะคือคือคนเนี่ยนะ จากที่เรียกว่าตั้งตัวเป็นศัตรูพอเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งดีมากก็เลยคิดจะคบเป็นมิตร ท, ทีนี้ก็อยากจะรู้คุณธรรมของอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันว่าไอ้ที่ท่านบวชมาเนี่ยท่านมีคุณธรรมอะไรบ้างเป็นต้นก็ถามว่าท่านโกรธมไหมพระโพธิสัตว์ถไหยพระพราว่าความโกรธเกิดแก่เกิดแก่อัตมาแต่ไม่ปล่อยออกโกรธเหมือนกันแต่ว่าไม่ปล่อยอัตมาจะไม่ปล่อยออกไปตราบเท่าชีวิต ถ้ายังมีชีวิตอยู่ไม่ปล่อยความโกรธให้มันทะลักออกมาอาตมาจะห้ามทันทีเหมือนฝนตกหนักห้ามเสียซึ่งทุลีฉะนั้นความโกรธไี่เปรียบเหมือนฝุ่นละอองใช่ไหมก็อบอกว่าไอ้ห้ามความโกรธเนี่ยนะ ก, ก็ระดมปัญญามาพิจารณาเหมือนฝนตกอาใหญ่แบบนั้นฝนตกหาใหญ่ใหญ่เนี่ยให้มันชุ่มไปหมดเลยนะก็อย่าลืมว่ากําลังแห่งการพิจารณาที่จะห้ามฝุ่นละอองเนี่ยนะเปรียบเทียบอันนี้ก็เห็นชาติว่ามองความโกรธเหมือนฝุ่นละออง มองการห้ามความโกรธเหมือนฝนตกห่าใหญ่เนี่ยนะทีนี้นการที่จะให้ฝนตกมันฝนแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดแล้วห่าใหญ่เนี่ยฝนตกหนึ่งครั้งฝนตกกี่เม็ดหนึ่งครั้งเนี่ยฝนตกประเภทน้ําไหลเจิง่งน้องทั่วไปหมดเนี่ยฝนตกมีกี่เม็ดนะตกเมษาจนน้ําท่วมเนี่ยนะใช้ฝนกี่เม็ดดีบอกตกมากชั้นใด การพิจารณาก็เหมือนกันอาวัชนะแล้วอาวัชนะอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิจารณาจนว่าเลิกโกรธได้หมดเลยไม่โกรธเลยพระราชาพอฟังอย่างนั้นก็คิดว่าปริภาชกนี้กล่าวหมายถึงความโกรธอย่างเดียวหรืออะไรอื่นมีศิลปะเป็นต้นก็ถามต่อไปว่าอะไรเกิดแก่พระคุณท่านพระคุณท่านไม่ปล่อยพระคุณท่านไม่ปล่อยอะไรตลอดชีวิต พระคุณท่านห้ามความโกรธนั้นอย่างไรดุดฝนตกหนักห้ามทุเรียนนั้นเช่นนี้คําคว่าที่บอกพระโพธิสัตว์บอกว่าถึงโกรธแล้วก็จะไม่ปล่อยออกตราบเท่าชีวิตหมายว่าไม่ปล่อยอะไรณหนะมด จ, จิตะคือไม่ปล่อยออกให้เกิดกายวิการและวจีวิการไม่ปล่อยออกมาทางกายและวาจาก็คือไม่ปล่อยออกมาภายนอกทีนี้ที่พระราชาถามพระโพธิสัตว์ต่อว่า ประกาศโทษของความโกรธโดยประการต่างๆแล้วแสดงทําให้พระราชาฟังว่าเมื่อเมื่อความโกรธใดเกิดขึ้นหรือเมื่อใดความโกรธเกิดขึ้นคนที่ถูกความโกรธนั้นก็ย่อมไม่เห็นประโยชน์เมื่อความโกรธไม่เกิดขึ้นก็เห็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดีตอนที่ยังไม่โกรธเนี่ยนะยังมีใจเป็นปกติอยู่แม้ประโยชน์ตนก็มองเห็นแม้ประโยชน์ผู้อื่นก็ มองเห็นเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเห็นประโยชน์โลกนี้เห็นประโยชน์โลกหน้าเห็นประโยชน์เห็นคุณงามความดีเห็นทุกประการทุกอย่างทั้งหมดแต่เมื่อความโกรธเกิดขึ้นนึกไม่ออกนะนะอย่างที่เขาบอกว่าโลกบางคนเนี่ยนะตอนที่ยังไม่โกรธครอบงำเนี่ยนึกหมดนึกออกหมดแล้วแม่เนี่ยมีอุปการะคุณต่อตัวเองมาอย่างไรเป็นต้นพอโกรธขึ้นมาเท่านั้นแหละลืมหมดเลยเนี่ยนะ มันความโกรธเนี่ยทำให้ไม่รู้ประโยชน์มันการตัดสินใจปัญหาหลายๆครั้งหลายๆอย่างเกิดจากความโกรธนั้นจึงเสียหายเสียหายเพราะว่าไม่ลืมประโยชน์ทั้งหมดในขณะนั้นเพราะขณะนั้นถูกไฟเผาเรียบร้อยแล้วเผาอะไรเผาใจตัวเองแล้วก็ลุกลามทะลักพ่นพ่นอะไรพ่นไฟออกมาทางวาจาเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะประมานึกถึงมังกรพ่นควันมังกรพ่นไฟเนี่ยนะก็คนที่โกรธขึ้นมาก็พ่นบอกออกมาแบบนั้น ความโกรธนั้นเป็นการท่องเที่ยวของคนไร้ปัญญาโคจรแล้วว่าการท่องเที่ยวไปของคนไร้ปัญญาความโกรธนั้นเกิดขึ้นแก่อาตมาอาตมาจะไม่ปล่อยออกมาทางกายและวาจามันจะกล่นอยู่ภายในก็ให้มันกล่นเถิแต่ก็ไม่ยอมปล่อยออกมาขณะที่โกรธขึ้นมาเนี่ยนะเหล่าอามิตผู้สแสวงหาทุกข์ก็ย่อมยินดีไอการยุ่ให้คนอื่นโกรธเนี่ยมันเป็นความสุขของคนที่เป็น ศัตรูใช่ไหมถ้าเราด่าคำหนึ่งแล้วเข้าไปเก็บกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่สักสาวัน7วันนี่แหมภูมิใจมากเลเราเก่งจริงๆที่สามารถสร้างความเดือดร้อนให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้เพราะฉะนั้นคนที่ขณะที่โกรธขึ้นมาเนี่ยศัตรูชอบมากดีใจเหลือเกินด้วยความโกรธใดที่เกิดขึ้นแล้วความโกรธนั้นเป็นโครจรขอ ง, ของคนไร้ปัญญาความโกรธนั้นเกิดขึ้นแก่อัตมาอัตมาก็ไม่ปล่อยออกไม่ทําให้ศัตรูสมหวังรอกนะนะ เพราะไรพาสศัตรูสมหวังก็ดีใจแตเมื่อ อ, อีกอีกฝ่ายหนึ่งโกรธ ถ, ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโกรธแล้วเขาดีใจอันหนึง่งเมื่อความโกรธใดเกิดขึ้นแกบ่บุคคลบุคคลก็ย่อมไม่รู้สึกถึงประโยชน์ตนลืมประโยชน์ของตัวเองหมดก็อย่างที่กล่าวว่าถ้าโกรธขึ้นมาเนี่ยนะทานบา ร, รมีที่รักษามามจะเหลือไห ม, ไมเหลือศีลเนคธรรมปัญญาวิริยะเป็นต้นบุญกิริยาวัฏหกสิบตาระนะ โพธิปัจขยธรรม37เป็นต้นเนี่ยเหลือไหมถ้าหากว่าเราโกรธขึ้นมาเนี่ยนะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้ามีคุณมากใช่ไหมบอกใช่เวลาโกรธขึ้นมานึกถึงคุณแม่แต่ได้ได้สักนิดหนึ่งไหมไม่ได้พระธรรมคุณที่พระพุทธเจ้าสอน 84% ดหมนพระธรรมขันทีสอนข้อปฏิบัติให้เห็นโพธิปัจขยธรรมเป็นต้นเนี่ยดีไหมเยอะไหมดีมากเยอะมากโกรธขึ้นมานึกออกไหมเอกขณะไม่โกรธยังจําไม่ค่อยจะได้แล้วจะกล่าวไปยัยถึงตอน โ, โกรธเล่าแบบนั้นนั้นความโกรธนี่ทําให้ไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์ของผู้อื่นไม่รู้จักประโยชน์โลกนี้ไม่รู้จักประโยชน์โลกหน้าไม่รู้ซักอย่างเลยนะตอนนั้นเนี่ยมันมันมีแต่อะไรนะที่จริงความโกรธนี่มันมีฉันท่าเกิดร่วมด้วยมันมีแต่ความสะใจพอมันสะเสร็จแล้วนะก็อะไรนะมาอะไรนะเหมือนคนนักพนันมือเติบนะก็จ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจนหมดตัวนะผมหมดตัวจริงๆเบลวิวขึ้นมาใครเล่นการพนันไม่รู้นะ เรว่าอะนะตอนที่มันแบบมั น, ม, นมันเนี่ยนะโอ้โหจ่ายจ่ายจ่ายควักจนหมดตัวแทบจะถอดผ้าให้หมดนะบางคนนี่ก็เรียกว่าอะไรนะมีกุญแจรถมีอะไรที่มันพอจะจำนอกจำนำพอที่จะค้ายพอที่จะอะไรได้นะมันฟาดลงไปหมดคิดว่าจะชนะนะที่ไหนได้แพ้แล้วโอ้โหฆ่าตัวตายเลยบางคนนี่ฆ่าตัวตายอย่างที่ก็เล่าว่ามีนายธนาคารคนหนึ่งกันนะเล่นการพนันเล่นซะจนจนจ น, จนเอาเงินของลูกค้านี่ไปเล่นหมดไปหลายสิบล้านฆนะ่าตัวตายเลย หมดตัวแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ในที่สุดก็เลยฆ่าตัวตายอันนี้ก็เหมือนการลักษณะขณะที่โกรธขึ้นมานี่ก็เป็นอย่างนั้นจริจงๆพอหายโกรธขึ้นมาแล้ววายเสียใจแล้เลยนะเสียใจก็เพราะวาจาแท้ๆเนี่ยนะเพราะคําไม่กี่คํมามืนกัว่าโกรธแล้วไปด่าใครแล้วถูกเ้าฟ้องมาเนี่ยนะเดือดไม่หน้าเลยไม่น่าเล ย, น, เลยนะลิ้นเจ้ากรรมเอ้ยอย่างงี้ยนะแต่ก็บังโกรธบางทีก็ทั้งกายทั้งวาจาเนี่ยนะมันก็ท่วมทะลากออกมา บางคนเนี่ยนะประสบความล้มเหลวทั้งหมดก็เพราะความโกรธเนี่ยนะก็คือพอโกรธออกมาแล้วไอ้ถามว่าไอ้โกรธกับคนระดับล่างๆอะ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าไปโกรธกับเจ้านายไปโกรธต่อผู้มีพระคุณไปโกรธต่อผู้ที่ให้คุณให้โทษเราได้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมไปโกรธคนที่สั่งปลดเราได้เนี่ยนะไปโกรธคนที่พร้อมที่จะไล่เราออกเป็นต้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นวันคําพูดหลายคำเนี่ยนะชีวิตนี่อับเฉาเลยคนที่ ล้มจมไม่ประสบความสําเร็จมิใช่น้อยก็เพราะไปไปไปโกรธต่อผู้ที่ไม่สมควรจะโกรธด้วยพังก็เลยเสื่อมเสื่อมจนไม่รู้จะเสื่อมอย่างไรเนี่ยนะเพราะนั้นความโกรธจึงเป็นการท่องเที่ยวไปของคนไร้ปัญญาเกิดขึ้นแก่อัตมาอัตมาก็ไม่ปล่อยออกไปเนี่ยนะไม่ปล่อยให้มันทะลับพ้อนออกมาทางกายวาจารอกเนี่ยนะก็ แต่ก็ยังว่านะมันเวลาที่เหตุปัจจัยที่ทําให้โกรธเนี่ยมันก็เหมือนกับอุบัติเหตุนะแตจริงๆแล้วความโกรธทั้งหลายมันก็เหมือนกับอุบัติเหตุยากที่จะหักห้ามใจอันท่าท่ารู้ว่าที่ถ้าเป็นทางโลกใช่ไหมว่าถนนทั้งหลายที่ไหนมันประสบอุบัติเหตุบ่อยนะเขาจะเตือนนะติดป้ายเตือนบางทีเนี่ยเตือนไม่ค่อยเชื่อว่ า, วา สี่แยกนี้ตายแล้วร้อยศพนี่เจะเขียนไว้เลยนะก็ทำให้คน้างหลังมาก็จะได้ระวังบ้างอ่ะโค้งอันตรายเป็นต้องเขาจะเตือนเตือนไว้เพราะว่าแถวแถวนั้นมันจะมีอุบัติเหตุฉันใดนะอย่างฝนตกถนนเลื่นระวังอันตรายนะวันนี้นั่งรถมาแล้วยังสิบล้อมันลงไปย้อนก็บอกว่าไม่ตายก็คงเลี้ยงไม่โตลอกดูแลตกไปอยู่กลางถนนเลยแหละ ก, กลางถนนนี่มันมีน้ําำบุบบี้หมดสิบล้อ นี่ก็ถามว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตโรคเนี่ยนะพราะฉันถามว่าขณะที่เราโกรธเนี่ยมันก็เสียหายแบบนั้นมันเป็นอุบัติเหตุที่ทางจิตใ จ, จดีว่าบางคนถ้าเป็นโรคบางอย่างที่โกรธแล้วตายเลยเนี่ยจะไปไหนดีโกรธและจุติเลยเนี่ยนะก็ก็น่าสงสารมากแลละบุคคลถูกความโกรธใดครอบงำย่อมละกุศลธรรม กรรมกรรมจัดประโยชน์แม้ในมูลออกไปเสียเรียรว่ากุศลมูลทั้งหลายเนี่ยนะถูกกรรจัดออกไปหมดเลยขณะที่โกรธขึ้นมาเนี่ยนะเผากุศลออกไปสิ้นเผาสติปัฏฐานเผาสัมมาปัฏฐานเผาอิธิบาตเผาอินทรียเผาพระลาเผาโพชฌงเผาองค์มร์เผาข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานขณะเดียวกันเนี่ยถ้าโกรธพระพุทธเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นสุนัขตาลิชวีเนี่ยตามด่าพระพุทธเจ้าจนไม่รู้จะด่ายัางไงเพราะไปโกรธผู้ มีคุณโกกาลิกาพิขุโกรธใครพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็เที่ยวาแล้วก็ลูกศิษฐีพระมหากัะสปะโกรธพระมหากระสปะนั้นก็จุดไฟเผากุศิพระมหากระสปะเล ย, ยนะฮะแต่ก็แล้วกรรมเหล่านั้นจะไปไหนเนาะมันบาปอากุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโทษ น, นะมันกําจัดความคุณงามความดีกําจัดบุญกุศลออกไปหมดสิน้นมหาบาพิษความโกรธนั้นเป็นเสนาของความน่ากลัว เรียกว่าอะไรนะเป็นบริวารของความน่ากลัวกลังมีกำลังย่ำยีสัตว์อาตมาไม่ปล่อยออกไม่ปล่อยออกทางกายวาจารกอุปมาเมื่อไม้ถูกสีไฟก็ย่อมเกิดนะครับอย่างอย่างป่าหลายๆแห่งในในบางประเทศเนี่ยนะไฟไหม้ป่าที่มันลุกลามเช่นที่ประเทศอะไรนะอินโดนีเซียที่มันไหม้จริงๆมันก็เกิดจาก ไม้เนี่ตอเก่งไม้มันสีกันเองลมสีไปสีมาสีมาสีไปไฟก็ลุกท่วมไฟก็เผาที่นั้นเพราะไฟเกิดแต่ไม้แล้วก็ลามเผาทั้งหมดนะ น, นะชั้นใดก็ดีเมื่อคนปัญญาอ่อนคือไม่มีปัญญาปัญญาอ่อนแปลว่าไม่มีปัญญาโง่เซ่อความโกรธย่อมเกิดขึ้นเพราะความฉุนเฉียวคนผ่านแม้นั้นก็ย่อมถูกความโกรธนั้นเผาผลาญ ความโกรธย่อมเจริญคือหมายว่าโกรธยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแก่ผู้ใดเหมือนไฟที่ไม่ย่าและไม่ไม้ยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างแรมฉะนั้นก็ ม, มีแต่อับเฉาไปเรื่อยๆนะก็เสื่อมเสียไปเรื่อยๆเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมในที่สุดเนี่ยนะเขาบอกว่ายศคําว่ายศหมายเว้ามาคนรอบข้างเป็นต้นก็ย่อม ก็เขากลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องเป็นต้นเขาก็หนีไปหนีไปทีละคนสองคนเป็นต้นนั้นคนที่มักโกรธก็ยศเสื่อมหมายคําว่าญาติเป็นต้นคําว่ายศไม่ใช่หมายถึงดาววนบา น, นะแต่หมายถึงว่าคนรอบๆข้างเพราะทุกคนถือว่ามียศก็คือมีญาติมีอะไรเป็นต้นคนที่โกรธทั้งหลายเนี่ยนะมีมีอยู่ที่หนึ่งโยมเขาเขาไม่สบายอายุมากแล้วเป็นอมภพฤกด้วยแต่ก็เป็นคนโอ๊ยขี้โกรธขี้โกรธมากจริงๆ จนเรียกว่าลูกหลานนี่ก็ปล่อยทิ้งทิ้งคล่องคล่องอ่ะนะก็ไม่มีใครดูแลวเวลาลูกหลานเข้าไปใกล้ก็ดา่าลูกด่าหลานอย่นั่นแหละดา่าจนจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อะ่ะเนี่ยนะแล้วก็อายุ70กว่าแล้วก็อยู่แล้วค่อนข้างเดือดร้อนมากเพราะว่าเป็นคนที่มาโกรธในที่สุดก็แทบจะอยู่คนเดียวเนี่ยนะขาเขาจะไปไหนก็แทบจะขังทิ้งไว้ที่บ้านเฉยๆเพราะว่าไม่มีใครอยากเข้าไปหาไม่อยากเข้าไปใกล้ อันคนที่โกรธเนี่ยเป็นลักษณะนั้ น, นนะก็ยิ่งเสื่อมลงเสื่อมลงในที่สุดก็ดับวูบไปเลยเนี่ยนะดับวูบดับจากสุขติไปไหนเนาเนี่ยนะเพราะความโกรธเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถจะเก็บไปได้ใช่ก็ล่วงมาทางกายและ ว, วาจาทีนี้ถ้าล่วงมาทางกายเลวร้ายมากก็เลวถึงขนาดฆ่าคนอื่นก็ได้ทุศีนผิดธรรมทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ก็ได้เนี่ยนะก็ทำบาปอีกเยอะ แต่ถ้าหากว่าผู้ใดสงบความโกรธได้แล้วหรือว่าสามารถสงบความโกรธได้เหมือนไฟไม่ไม่เชื้อไม่ยอมให้ไฟมันเผาบ่อน้ามันเนี่ยนะยศของผู้นั้นย่อมเต็มเตียมไม่ปล่อยให้ความโกรธมันทัลักเผาขุมทรัพย์เผาอริยทรัพย์ของตนยศก็ย่อมเจริญขึ้นเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นเนีย่ยนะดวงจันทร์ข้างขึ้นก็ถือว่าเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจของ ของลูกของหลานเป็นต้นเป็นที่รักใคร่พอใจของคนทั่วๆไปเนี่ยทคนที่ไม่โกรธในชีวิตก็อยู่เป็นสุขกท่านจูรพโพธิเล่าทั้งหมดให้พระราชาฟังครั้งพระราชาเนี่ยนะสับธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วพระองค์ก็ขอขมาพระมหาบุรุษแม้นางปริภาชิกาผู้ผู้มาจากพระราชวังก็มาถึงพอดีนะ คือหลังจากที่พระโพธิสัตว์แสดงธรรมให้พระราชาฟังนางปริพาชิกาก็มาถึงเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าขอพระคุณท่านทั้งสองสเสวยสุขในการบรรประชาอยู่ในอุทยานนี้เถอดข้าพเจ้าจักทาการรักษาป้องกันคุ้มครองอันเป็นธรรมแก่พระคุณท่านทั้งสองอะนะตอนน้ำมาสการแล้วก็กลับไปก็กลายถือว่าเป็นกลายเป็นยมอุปถาคไป ปริพาชคปริพาชิกาทั้งสองก็อาศัยอยู่ในพระราชธิญานั่นเองต่อมาก็นานหลังจากนั้นนานเนี่ยนะปริพาชิกาก็ถึงแก่กรรมก็าตายชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบพระโพธิสัตว์เนี่ยนะหลังจากที่นางปริพาชิกาตายท่านก็ไปยังปาหิมพันป่าหิมพันก็คือป่าที่มีหิมะนะหิมะวันตะก็คือป่าที่มีหิมะนะั่นแหละ ท่านก็ไปอยู่รีเกรนเจริญฌานและอภิญยาให้เกิดเมื่อสิ้นอายุก็ไปสู่พรหมโลกนะนคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะโดยปกติแล้วเนี่ยอาการไปเกิดในพรหมโลกของท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาท่านอยู่ในพรหมโลกถือเป็นเรื่องธรรมดาของท่านแต่ท่านจะไม่อยู่จนตลอดอายุขท่านไปอยู่สมนวุน ว, นว่าไปอยู่ในพรหมโลกไม่กี่นาทีก็อาทิมุตตาจิราจุติแล้ว จติก็มาทําบุญต่อแล้วก็มาทําบุญจนได้ไปเกิ ด, ป เ, กดเป็นพรหมโลกอีกเกิดแล้วก็จุติอีกนะก็เรียกว่าทำรรอธิมุตตกิริยาเนี่ยนะก็อาจจะอยู่สักไม่อะไรนะไม่กี่ล้านปีของมนุษย์แล้วก็ลงมาใหม่อย่างเงี้ยนะลักษณะเนี่ยนะแต่ว่าก็ถ้าเทียบไปอายุของพรหมเป็นกับกเนี่ยถือว่าแป๊บเดียวนะแป๊บเดียว ครั้งนั้นนางปริภาชิกาก็คือมารดาของพระราหุลเนี่ยนะก็คือพระนางยาโสธราพิมพานั่นแหละพระราชาคือพระอนนทถระโพธิปริภาชกคือพระโลกกนาฐคิดดูนะว่าบาปอากุศลเนี่ยแม้กระทั่งว่าคนที่สั่งสมบุญมาไม่ใช่น้อยถือว่ากลับสุดท้ายเนี่ยนะขณะนั้นก็ยังยังสามารถที่พร้อมที่จะล่วงบาปล่วงอกุศลได้ก็เราทั้งหลายถ้าหากว่าศึกษาปฏิบัติธรรมถ้าโสดาปิตมักยังไม่เกิด เราก็พร้อมที่จะไปทําอนันตริยกรรมห้าก็ได้พร้อมที่จะไปเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิก็ได้พร้อมที่จะอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าได้เสมอเนี่ยนะอยู่ตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าได้เสมอถ้าหากว่าไม่เป็นพระโสดาบันทีนี้เฮ้ยแล้วโพระโสดาบันดีเหลือเกินแล้วทําอะไรมั่งให้เป็นพระโสดาบันนะครับท่านอ๋อทานศีลเนกขับมรอะไรนะศีลวิสุทธิ จิตตาพิสุจน์ที่ไล่ไปไล่มานี่ก็อักอยากคิดเลยเศร้านะคิดแล้วเศราะนะ้าว่างั้นนอะไรนะั่นจะว่าเศรา้านะคิดแล้วสังเวชนะสรุปทบทวนคุณธรรมของอท่านโพธิสัตว์เนี่ยนะว่าคุณธรรมของท่านเป็นต้นยกตัวอย่างให้ดูจริงๆท่านมีเยอะมากนะตลอดชีวิตทั้งชาติของท่านแต่ว่ามายกตัวอย่างว่า ท่านสามารถละกองโภคะใหญ่ละวงสาคนาญาตใหญ่ออกจากเรือนเช่นเดียวกับออกมหาพิเนศกรมท่านการออกบวชของท่านแทบจะไม่ต่างอะไรจากเจ้าชายศิทธาออกบวชเลยคือยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะหมายความว่าสามารถสละได้ขนาดนั้นการออกไปอย่างนั้นแล้วก็ตั้งใจเป็นบนรรพชิตที่ชนเป็นอันมากสมมตินะว่าดีแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องในตระกูลในหมู่คณะและ เป็นผู้มักน้อยเป็นอย่างยิ่งก็คือไม่มีความผูกพันอันใดเขาบอกว่าไอความผูกพันในตระกูลเนี่ยมันเสียหายตรงไหนถ้าไปผูกพันในตระกูลนั้น ม, มีคำถามแบบนี้ขึ้นมาการผูกพันในตระกูลก็คือไปร่วมสุขร่วมทุกข์กับตระกูลถ้าตระกูลเขาอะไรนะอยู่ดีมีสุขไปดีใจกับเขาไปร่วมบันเทิงไปจัดงานที่เรียกว่าแทบจะจัดงานฉลองให้โยมเลยมันนั้ น, นแะนันะอ บ า, บางแบคเต่รจริงๆนีอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะมันเป็นอย่างนั้นจริ ง, งๆแทบจะจัดฉลองให้โยมเลยในฐานะที่เขาประสบความเจริญเสร็จแล้วถ้าเขาเสื่อมก็แทบจะไปนั่งน้ําตาปริมอยู่กับเขาอยู่ตรงนั้นแหละไปร่วมสุขร่วมทุกไปจัดแกงเคยมีพระอยู่รูปหนึ่งไอความที่ท่านผูกพันในตระกูลมากก็บอกว่าออืก็ไปชวนกันไปเรียนหนังสือไปศึกษาพระธรรมบอกผมไปไม่ได้หรอกเขาว่างั้นโยมอุปถาคผมไม่สบายประมาณผมยังไม่ไปหรอกประั้น แล้วไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเขาเลยก็ช่วยออกค่ายาในโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ไปช่วยบีบช่วยนวดก็ไม่ใช่แค่ไปโชว์หน้าให้โยมก็ว่าโยมที่ป่วยเห็นหน้านิดนๆหน่อยๆแค่นั้นนะแล้วก็ไม่ได้ถึงกับว่ามากมายอะไรแตขนาดนั้นก็เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถศึกษาพระธรรมได้แต่ว่าไอความที่ในที่สุดในที่สุดก็ตอนนี้ก็ไม่ใช่พระก็แล้วกัน นั่นก็คือโทษของการผูกพันในตระกูลจนจนถึงคำว่าลักษณะผูกพันนั่นก็โดยศาสต์ก็บอกอยู่แล้วว่าผูกกับพันธะพันท่ก็คือแปลว่าผูกกับผูกๆนั่นแะผูกกันไปผูกกันมาก็เลยไม่สามารถที่จะประพฤติสมณกิจของตัวเองได้เนี่ยนะก็เสื่อมจากสมณกิจอันนั้นก็คือโทษของการผูกพันในตระกูล ต่อไปความยินดีอย่างยิ่งในความสงัดเพราะรังเกียจลาบสการะโดยส่วนเดียวเท่านั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสา ม, มารถขนาดนั้นการที่ประชาชนนับถือบูชาด้วยลาบสการะเป็นต้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากอะไรสําหรับท่านแต่ท่านรังเกียจเนี่ยนะเห็นว่าการเมมติว่าในเทรคถาท่านบอกไงนะผู้ใดสะสมปัจจัย4ีว้เยอะผู้นั้นสั่งสมศัตรูไว้มาก น, นะ เคยเห็นใครไปเป็นศัตรูกับพวกคนไม่มีอะไรไหมสิ้นเนื้อประดาตัวใครมีไหมแต่คนที่มีมากระดับพระราชาเนี่ยพระราชาท่านบอกว่าท่านศัตรูมากนะพระเจ้าพระเจ้ามิลินเนี่ยท่านบอกเลยโยมเนี่ศัตรูมากโยมคงออกบวชไม่ได้หรอกถ้าโยมออกบวชโยมคงตายเพมั้งนั้นเพราะว่าโยอมนี่ศัตรูมากเหลือเกินเพราะงั้นก็คือบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นผู้ที่มีลาบมากก็ศัตรูมากมีสการะมากก็ศัตรูมากถ้าถูกคําชมคํายกย่องคาอะไรมากเดี๋ยวเราเอาเถอะ เพราะฉะนั้นท่านก็เห็นโทษมากกว่าเห็นคุณเนี่ยนะก็คือคุณเนี่ยมันมีน้อยน้อยเกินไปไม่สามารถที่จะช่วยให้บรรลุมรรคผลอะไรได้แต่ว่าโทษนี่สิเนีย่ยนะ <c oughs> ก็อย่างว่าถ้ามีลาบอยู่ที่ใดสิ่งที่ตรงกันข้ามก็อยู่ที่นั่นอะไรเสื่อมลาบก็อยู่ตรงนั้นถ้ามีส ก, การะที่ใดทำใจว่าจะถูกด่าจากตรงนั้นนนแหละ กนะ็จากอะไรนะได้รับความเคารพจากที่ใดจะถูกด่าจากที่นั่นนั่นแหละก็บอกว่าอะไ ร, ไรนะถ้าสังเกตให้ดีว่าปากเดียวกันที่ชมฟังให้ดีนะปากนั้นจะดา่าก็บอกว่าอะไรนะก็คิดง่ายๆแบบสามีภรรยาทั่วไปถ้าไม่ชมกันยิ่งมันจะได้แต่งงานกันหรือมันก็เสร็จแล้วก็อะไรแล้วใครมันด่ากันมากที่สุดมีใครด่าได้เจ็บแสบ ท, สที่สุดเท่ากับคนใกล้ๆนงงั่นแหละเหมือนกันแล้ก็อย่างนี้แหละไม่เชื่อถามลุงเรืองดูกันแล้วกัน เงาเงืองเพื่อนหน่อยต่อไปนะว่าเมื่อหลังจากบวชแล้วก็มีความขัดเกลาวกิเลดอันเป็นความดีอย่างยอดยิ่งขัดเกลาก็คือกำจัดความเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะอะไรที่เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองท่านก็ขจัดบำบัดออกไปต่อไปท่านนึกถึงศีลบารมีไม่แสดงความกโกรธเคืองต่อเมื่อนางปริภาชิกา ผู้มีกัลยาณธรรมมีศีลถึงป่านนั้นถูกราชบุตรจับไปโดยพระราการต่อหน้าตนซึ่งไม่ได้อนุญาตเนีๆๆ่ยนะคือหมายผู้ทูกถึงธรมเนียมทั่วไปก็ต้องขออนุญาตกันก่อนแต่นี้ไม่ขอเลยท่านก็โกรธขึ้นนิดหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ไม่แสดงออกมาขณะเดียวกันท่านก็หักห้ามความโกรธอย่าว่าหักห้ามกับนางพรามณีเลยใช่ไหมแม้กระทั่งว่าตอนที่พระาหุนอะไรนาะตอนที่ท่านบริจาคใครนะ การหาชาลีไปใช่ไหมถูกถูกชูชกเนี่ยนะเคี่ยนต่อหน้าต่อตาท่านก็โกรธมากนะอะลูกไปจับดาบขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วบอกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะแล้วก็วางเสร็จแล้วก็มาเจริญที่จารณาทำไปก็สงบนะนะเจริญให้สงบได้ก็ที่มาหยุดพรข้อหนึ่งว่าถ้าผลเนี่ยจะได้เสียใจในภายหลังเมื่อเจริญกุศลเหล่านั้นไปแล้วกุศลอะไรก็ตาม <c oughs> ที่ทําไปแล้วขออย่าได้เสียใจในภายหลังนีย คนที่เจริญกุศลเนี่ยนะโดยที่กุศลมันลดลงหรือเสียหายก็เนื่องจากว่ากุศลที่เจริญขาดความรอบครอบอย่างหนึ่งหรือเมื่อพิจารณาอรอบครอบอย่างหนึ่งแต่ว่ารักษาใจไม่ได้ในตอนหลังทำให้กุศลเหล่านั้นเนี่ยเสร็จสเสื่อมเสื่อมเสียไปพันในการเจริญกุศลเนี่ยนะบุญของเราก็สําเร็จแล้วบุญของเราก็สําเร็จแล้วเนี่ยนะเราต้องพยายามระลึกถึงตรงนี้เอาไว้เสมอ ว่าบุญของเราก็สําเร็จแล้วนี่ก็เหมือนกันทุกเรื่องที่กุศลที่เราเจริญกันเนี่ยนะโดยมากในที่สุดก็นํามาซึ่งความไม่สบายใจในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกที่ไม่นํามาซึ่งความไม่สบายใจคือมันนํามาซึ่งความไม่สบายใจทุกอย่าง น, นะโดยที่สุดแม้แต่กุศลพันเราก็ต้องระวังให้ดีว่าแม้แต่กุศลจะต้องไม่เป็นปัจจัยแห่งความไม่สบายใจทํำยังไงเพื่อที่จะไม่ได้อ่าจะต้อง คิดว่าจะต้องสบายใจเนี่ยนะก็ต้องหาเหตุหาปัจจัยนั้นหรือยอมจำนนไปแล้วล่ะถ้าจำนนก็สาวกมารถ้าไม่จำนนก็สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เลือกเอาว่าเป็นสาวกของผู้ใดเชื่อฟังสาวกแล้วผู้เชื่อผู้ฟังผู้ปฏิบัติตาม น, นะนะต่อไปเมื่อพระราชารู้พระองค์ว่าพระองค์ทรงทำผิดเข้าไปหาพระฤาษีเข้าไปหาท่านโพธิเนี่ยนะ การตั้งจิตบำเพ็ญประโยชน์และถวายคําสั่งสอนด้วยประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภพหน้าทั้งๆ ท, ที่ปกติเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะพอกลับมาเนี่ยไม่กล้าไม่ยอมเจอหน้าเลยแต่นี้ท่านเอกมาแล้วก็สอนต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น น, นะก็คือแนะนําโอวาสอนอาจสอนทําไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นคุณธรรมที่พิเศษมันผู้ที่มีคุณธรรมเช่นนี้นี่เป็นคนที่น่าอัศจรรย์ แม้แต่ยังจิตให้เลื่อมใสในท่านก็พ้นจากทุกขติพ้นจากอบายได้จกะกล่าวไปยายถึงปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของท่านจะไม่พ้นไปจากทุกเล่า